วันนี้เป็นรอบบําเพ็ญกุศลประจำวันเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ <c oughs> เป็นรอบบําเพ็ญกุศลร่วมกับครูบาอาจารย์ เป็นอีกวาระหนึ่งของบริษัทเวอรินาของเราโดยเฉพาะระยะนี้เวลานี้เป็นระยะเวลาที่เราจะเข้าพรรษาพวกเราชาวพุทธถ้าหากเราไม่มีการตั้งสัจจาทิ่ฐานใดๆเพื่อที่จะมัดตัวเองมันก็ยากเหมือนกันนะเราไปสังเกตดูพระพุทธเจ้าเวลาท่านทำความเพียรอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่านตั้งสัจจาทิ่ฐานเลยนะอ่า ตั้งสัจจะและอธิษฐานคำว่าอธิษฐานหมายความว่าต้องการสิ่งที่เราจะเอาด้วยสัจจะข้อนี้ข้อนี้ข้อนีน้ตั้งสัจจาอธิษฐานการอธิษฐานเนี่ยมันเป็นการตั้งลงหน้าเอาไว้ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งเป้าลงหน้าเอาไว้ หลังจากเราตั้งเอาไว้เสร็จแล้วเราก็พยายามเดินไปให้ได้ตามเป้าที่เราตั้งหรือไม่ก็เป็นการเสี่ยงสัต จ, จาธิฐานเหมือนอยา่างพระพุทธเจ้าท่านเสี่ยงเสียเส่ยงลอยถาดนี้ตั้งสัจยาธิฐานถ้ า, าเรามีบุญบารมีพอขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำํำนั้นที่เรียกว่าตั้งตั้งสัจยาธิฐานเสี่ยงตั้งสัต จ, จาธิฐาน แล้วก็ผลก็จะปรากฏตอนนั้นถาดลอยทวนกระแสน้ําก็เป็นอันทดสอบได้ว่าอา้าวแสดงว่าบา ร, รมีเราพอปกติถาดมันจะต้องลอยไปตามกระแสน้ําแต่ด้วยเหตุที่บุญญาบา ร, รมีแต่เบื้องหลังมีเพียงพอสามารถอะไรเป็นตัวไปผลักดันให้ถาดลอยทวนกระแสน้ําได้ถ้าไม่ใช่แรงสัตว์สัจจาทิฏฐานถ้าไม่แรงตั้งสัตว์ตั้งความสัตว์ ความศักด์นี่มีความสําคัญมากความสัตด์เนี่ยมีความสําคัญระดับชีวิตจิตใจจริงๆเราดูแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนท่านท่านตั้งสัจจาทิฏฐานในคืนวันเพลนเดือนหกเนี่มในคืนวันเพลนเดือนหกพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งสัจจาทิฏฐานกามังตะโจนาหาร้จักคาถานี่เราก็ได้ไปอย่างนี้แหละคาถาเนี่ย กามตะโจน า, ารุจัตถิจะอวสิสติอวสัสสุตุอวสุสสตุเมสริเรศ บ, บันตังมังสะโลหิตันติยันตังยันตังมหปริสธาเมนะมหปุริสะวิริเยนะปัตต บ, บังณตังอัปตวาวิริยสะ สั้นท่านังภวิตสติตั้งสัจยาทิฐานนะเป็นหนึ่งคาถาสี่แถวนี่สองคาถานะเป็นสองคาถาเป็นคาถาปัจจยาวัดสองคาถาเป็นคาถาตั้งสัจยาทิฐานของพระพุทธเจ้าแปลว่าเนื้อเลือดที่มีทั้งหมดเนื้อเลือด เ, อเนื้อเลือดใน พระวรกายทั้งหมดจงเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดไม่บรรลุธรรมด้วยแรงแห่งความเพียรด้วยแรงแห่งมหาบุรุษจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดนี่เราเติมเข้าไปอีกเด็ดขาดจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดนตั้งสัจจาธิทาน พระองค์จะทำทุกครั้งพระองค์จะต้องตั้งสัจญาธิษฐานและอีกอันหนึ่งก็คือพระองค์ไปอธิษฐานให้เกิดวัดชระบัลลังก์เราดูที่ในตำนานท่านพูดถึงบางตำนานก็พูดว่าท่านไอ้ยากาเนี่ยไปปูเป็นบันลลังก์นั่งนั่ ง, งและก็ตั้งสัจญาธิษฐานบางทีท่านบางตำราท่านก็บอกท่านไปตั้งสัจจาธิษฐานเพื่อให้วัชระบัลลังก์เกิดขึ้น อธิษฐานให้วัชะระบรรลังเกิดขึ้น่วัชะระบัรลงังแปลว่าบรรลังเพชรบรรลังเพชรแต่จะเป็นอันใดก็ตามแต่เราถือว่ า, าการตั้งคําสัจจาอธิษฐานเป็นเรื่องเด็ดขาดถ้าเผื่อวันนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้จริงจริงๆริงยังไงคิดว่าพระองค์จะไม่ลุกเด็ดขาดกว่าเนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกไม่รู้ต้องกี่วันกี่คืน อ, ะอ่ะนะ แม้แต่การทรมานอัต huh. ก <that> <misses. that treating eds> ิะัมฐานุโยกเนีพระองค์ทรงอดพระกรยาหารเนี่ยกว่าร่างกายของพระองค์จะเหี่ยวแห้งเหลือขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้มันล่วงไปสักกี่วันกี่คืนกัมพรูู้สวยพระกรยาหารอิ่มอิ่มแล้วก็ลดไปวันละคํำวันละคำครั้งละคําครั้งละคํำมือละคำมือละคำมือละคำจนเหลือหนึ่งคำแล้วก็ลดปริมาณไปเรื่อยหนึ่งคําน่ะลดไปลดไปลดไปจนเหลือหนึ่งเม็ดก็จะถึงเหลือหนึ่งเม็ดเนี่ย ไม่ใช่เรามานั่งรับทานครั้งเดียวมื้อเดียวอันนี้หมายความว่าฉันรับเป็นมือ้อรับเป็นมือ้อมื้อการอย่างพวกเราเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นเนี่ยลองเชา้าสองสามเม็ดกลางวันสองเม็ดตอนเชา้าสาเม็ดกลางวันสองเม็ดตอนค่ำหนึ่งเม็ดจะได้อะไร <laughs> ทั่วฟันมันมันก็จะไม่ทั่วอันนี้คือเราเราคิดตาม ่ น, นันมันเป็นการตั้งสัจจญาณฐานของมหาบรุษอธิฐานเอาเรี่ยวแรงความเพียรของมหาบรุษกาลังของมหาบรุษถ้าไม่ได้จะไม่ลุกขึ้นสั้นท่านังพวิทสันตี น, า, นาตังอปตวาเวรยิยสสะสั้นท่านังพวิทสันตีกาถานี้เราก็เห็นที่นี่เลยเราเอาไปท่อง เราเห็นแล้วเราชอบมากเลยโอ้ถูกใจมากเลย <c oughs> เคยเคยเคยได้เห็นแต่คำพูดอธิษฐานธรรมดาธรรมดาาไม่เห็นคาถาคาถามีอยู่นี่แหละแต่มันมีอยู่ในหนังสือของวัดหลวงปู่อุทัยอะ่ะใครไปดูจะเห็นใครไปดูจะเห็น <c oughs> เอาไปขึ้นเวทีหลายเวทีแล้วคาถาเนี่ย <c oughs> วันนี้เราปรารถบให้เป็นธรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้จะดีไหมเนาะไม่ต้องเพราะม่จะโลกาอะไรแหละเพื่อให้เข้ากับที่พวกเราตั้งใจจะประกอบความเพียรด้วยการตั้งสัจตั้งสัตสัจจาธิฐานสัจจาทิฐา น, าฐานมันมีสัจจะกับอธิฐานนะบวกกันสัจจะกับอธิฐานบวกกันเป็นสัจจาิฐาน อธิษฐานแปล ว, ว่าความต้องการความอยากได้ต้องการให้ได้นุ้นต้องการได้นุ้นต้องการได้นุ้นอืเหมือนอย่างนางสุชาดาเนี่ยต้องการให้สามีมีทรัพย์เท่ากับตนถ้าถ้าได้สามีอธิษฐานขอให้ได้สามีมีทรัพย์เท่ากับตนและลูกคนแรกถ้าได้ขอให้เป็นลูกผู้ชายนี่ตั้งสัจจาที่ฐานอตั้งสัจจะและอธิษฐานเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า เจ้าท่านทรงตั้งสัจจะจารุรงคามหาประทานจารุรงค์หมายถึว่าการตั้งสัจจะประกอบไปด้วยองค์สี่ที่พุทธเจ้าท่านทรงตั้งในวันที่จะตรัสรู้นั่นแหะจารุรงคามหาประทานเนี่ยหมายถึงเนื้อเลือดอเอ็นกระดูกนี่คือนี่คือสัจจะเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีอื ถ้าไม่บรรลุธรรมการบรรลุธรรมนั่นคืออธิษฐานอธิษฐานขอให้ได้ขอให้ได้ อ, ไดอธิษฐานคือตั้งใจจะเอาตั้งใจจะเอาเป็นเป้าประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ในเมื่อตั้งเอาไว้แล้วก็พยายามเราก็พยายามเดินไปให้ถึงเป้าอันนั้นการเดินของเราในทีนี้หมายความว่าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยพฤติกรรมของเราเราจะทําพฤติกรรมยังไงที่เราจะสามารถเดินไปให้ได้ตามที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานนี้ได้ สัจจอาทิษฐานนี่เป็นแรงเป็นแรงแรงหนึ่งเป็นแรงแรงหนึ่งเช่นอย่างเราตั้งใจจะนั่งภาวนาสาสบนาทีขอให้นั่งได้สาสิบนาทีจะไม่พลิกไม่เปลี่ยนเนี่ยดูมีนาฬิกาดูยังไม่ถึงสาสบนาทีปวดไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนนี่คือตั้งสัจจอาทิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานจะตั้งใจนั่งภาวนาให้ได้หนึ่งชั่วโมง มีรายกาดูด้วยนะไม่เชื่อแก่ใจของตัวเองถึงแล้วยังยังไม่ถึงจักไม่ยอมลุกเด็ดขาดไม่พลิกไม่เปลี่ยนเด็ดขาดนี่เรียว่าตั้งสัจจะการตั้งสัจจะก็คือการยืดงานก็เราไปเพื่อที่มันจะได้ประสบผลตามที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างความภาคความเพียรของเราถ้าเราไม่มีตั้งสัจจาที่ฐานมามัดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างกันแล้วกันท่านตั้งสัจจะที่ฐานน่ย ดยเหตุที่ตั้งสัจจาทิฏฐานเนี่ยแหละมันเหมือนกับมีกรอบมาปิดมาล้อมากั้นเอาไว้ฟังแต่ล้องตาท่านพูด่ะท่านนี่เด็ดขาดเลยถ้าได้ตั้งสัจญาทิทฐานตั้งยังไงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ก้าวล่วงแม้ผมเส้นเดียวไม่ก้าวล่วงมันขาดไปเลยต่อไม่ได้ถว่าเหมือนหินหักต่อไม่ได้เลยตั้งสัจจะอย่างที่ท่านว่าท่านตั้งสัจจะนั่งตลอดรุงนั่งตลอดรุง่งตั้งสัจจะ ไม่ตลอดรุ่งจะไม่ลุกเด็ดขาดจะไม่ลุกเด็ดขาดปวดหนักปวดเบาปวดอะไรทายใส่ตรงนี้เลยหนักเบาใส่เอาตรงนี้เลยแต่มีข้อยกเว้นครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนพระยาพระสงฆ์ในวัดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแน่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านั้นมากกว่างานการที่จะตั้งอกตั้งใจทำคนเดียว นี่เราเราอ้างถึงพระพุทธเจ้าสัจจาทิฏฐานในข้อหนึ่งนี้คือนายนัฐถนน์ตราชูนิประทานจนทประธานเจ้าที่บริหารท่านตั้งว่า <c oughs> นิฐานภ ร, รษาปี2560บริษัทเวริน่าอินเตอร์เนชแนลจำกัด นี่วันวันนี้วันอันนี้ตั้งแต่วันไหนเนี่ยเก้าแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ออกจะอธิษฐานตั้งแต่วันนั้นเหรอไม่เอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหรอเฮ้ยเอาเข้าวันซาเลยเอาตั้งแต่วันนี้ไปแล้วจะได้กําไรเนี่ยอเอาเป็นวันที่เก้าไปเลยเอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแหละอรักษาโอโบสุทธสินสัปดาละหนึ่งวัน อุโบสถทศินสัปดาละหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะสองวันสามวันสี่วันเลือตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ก็ได้อันนี้หมายคขาว่าเราตั้งอย่างน้อยต้องสัปดาละหนึ่งวันอุโบสถทศิลป์อุโบสถทศิน น, มนัมีอนิสงมีอนิสง์ที่ยิ่งใหญ่อุโบสถทศิล์ก็คือศีลแปด อย่าลืมว่าศินแปดเป็นสินพรหมจรรย์นนะเป็นสินข้อพรหมจรรย์สามีภรรยาก็แตะต้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้พระพุทธเจ้ า, จาท่านไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นท่านพยายามหาเรื่องกีดเราออกกีดเราออกกันระออกการระออกถ้าเราต้องการเราอยู่เราอยู่คลองเรือนเงี้ยถือสินห้า ถือสินห้าท่านก็นยังจํากัดให้เฉพาะสามีภรรยาของตัวเองนอกใจสามีนอกใจภรรยาถือว่าสินขาดศินสินข้อห้าสข้อนะ่ะขาดข้อข้อข้อสามสินขาดหมายคือว่านอกใจสามีนอกใจภรรยาศินขาดมันเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กมากแต่เรื่องร้ายที่มันตามมานยารุนแรงมากกว่า อันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของบาปของกรรมอย่าลืมว่าสินเนี่ยเคยอธิบายหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะสินอย่างยิ่งศินห้าเนี่ยสินข้อสินทั้งห้าข้อเนี่ยมันเป็นทั้งศินมันเป็นทั้งธรรมถ้าเราทําขาดปั๊บสินขาดแต่ว่ามันมีเวรมีภัยเป็นเวรเป็นภัย เ, เป็นบาปเป็นกรรมเช่นอย่างฆ่าสัตว์เงี้ยเราฆ่าเขาปั๊บฆ่าสัตว์เล็กเล็กฆ่าสัตว์ใหญ่ใฆ่าสัตว์โตขึ้นไปหน่อยฆ่าสัตว์สาคัญสำคัญ เช่นอย่างฆ่ามนุษย์นะบุคคลที่สําคัญเช่นอย่างฆ่าแม่เหมือนอย่างพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยนี่คือการฆ่าสัตว์มันแค่เรื่องสินขาดเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กรรมมันหนักหนาสาหัสมากมายมหาศาลมันเป็นทั้งศินมันเป็นทั้งธรรมเรื่องของกรรมนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมแต่เรื่องสินขาดเราก็ต่อได้แต่กรรมในเมื่อเราล่วงไปแล้วนี่โอ้ห้าร้อยชาติ ด, ดูแต่พระโมคคัลลานะเนี่ยศินเนี่ยเราขาดวันนี้เราก็ต่อเดี๋ยวนี้ก็ได้ ศีลเนี่ยเราต่อเดี๋ยวนี้ได้แต่ว่าทำเนี่ยฆ่าแม่ไม่ถึงห้านาทีอะไรแม่ตายตัวเองต้องรับบาปรับกรรมห้าร้อยชาติไม่ใช่ห้าร้อยครั้งนะห้าร้อยชาติชาติละครั้งชาติละครั้งอัตภาพตายครั้งเดียวอัตภาพหนึ่งตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวห้าร้อยชาติห้าร้อยครั้งนี่คือนี่คือทำมันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งทำฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันลักของเขาเราลักของเขาเขาก็ลักของเรา เราเพ่งเล็งของเขาเขาก็เพ่งเล็งของเราประพฤติผิดในกรามก็เช่นเดียวกันะเราผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาเขาก็ผิดลูกผิดผัวผิดเมียเราสินขาดมันเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องที่การผิดผิดธรำนี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ฆ่าแกงกันได้สดๆดร้อนร้อนเลยแต่บางคนก็มีบุญบารมีถ้าเราทราบประวัติของปู่ขาวหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านออกบวชเพราะเรื่องเหล่านี้ เพราะภรยา น, นอกใจนี่เองเอ๋อโอ้ยกําลังจะเอาชีวิตเลยแหละจะจะค่ายตายทั้งคู่เลยแหละแต่มาฉุกคิดได้หยุดเออยกให้เขาไปเลยเจ้าของก็ทิ้งไปเลยแล้วออกมาบวชบวชได้อัดได้ไดทําได้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรามาจนทุกวันนี่คือทุกข์คือโทษแท้ที่จริงทุกข์ของกามเนี่ยถ้าเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆเราจะออกจากสิ่งเหล่านั้ น, นได้ยาก ทุกทั้งหลายทั้งปวงที่เราเกี่ยวข้องถ้าเราไม่เห็นทุกข์จังๆอย่าง จ, งางจริงจังเนี่ยเราจะออกได้ยากเราจะออกได้ยากเฉพาะพยักยิ้มเย่างการครองเรือนเนี่ยเราออกได้ยากาสัมมาสังคัปปะสัมมาสังคัปปะสัมมาสังคัปปะดําริชอบดําริชอบคําว่าดําริหมายวา่านึกคิดอยู่ในใจคนเดียวดําริชอบดําริชอบ มันมีอยู่ข้อหนึ่งดําริออกจากกามนี่ดําริออกจากกามเกี่ยวข้องกับสมาธิดําริจากความไม่เบียดเบียนอันนี้เกี่ยวข้องกับศีลศลด้วยธรรมด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสมาทิฏฐิเห็นเห็นชอบสมาทิฏฐิเห็นชอบ เห็นอะไรถึงจะชอบคําว่าเห็นชอบคือเห็นถูกเห็นตรงตามที่มันมีตามที่มันเป็นสมาทิิคือเห็นชอบคือเห็นเห็นอริยสัจสี่ท่านว่าเห็นอริยสัจสี่จิตที่ละเอียดมากเข้าถึงหลักอริยสัจสี่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์จิตใจของตัวเองเป็นทุกข์เห็นในหลักอริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่คือเห็นชอบ เพราะการเห็นหลักอริยสัจสีนั้นแนหะคือเห็นตัวทุกข์เห็นก้อนทุกข์เห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์เห็นร่างกายเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เห็นจิตใจเป็นกลุ่มงานที่ประกอบทุกข์ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจนะ่นคือคือตัวผลตัวผลเหล่านี้มีอยู่ได้ตั้งอยู่ได้พัฒนาเป็นไปได้มาจากเหตุอีกอันหนึ่งที่จะเรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัย เห็นร่างกายเนี่เป็นทุกข์โอ้นี่เป็นทุกข์พิจารณาตัวนั้นก็ทุกข์ตัวนี้ก็ทุกข์ตัวนี้ปกติท่านพวกเราก็มีแต่หลงกับมันอัตภาพร่างกายมีแต่หลงกับมันเวลามันขาดตกบกพร่องไปมันหิวหาใส่ให้มันแล้วไม่ได้รู้ว่ามันเป็นทุกข์น่ะโอ้หิวแล้วหิวแล้วเราก็หามาใส่เข้าไปแท้ที่จริงนั้นแหละคือทุกข์แสดงตัวให้ปรากฏความทุกข์ของมันแสดงตัวให้ปรากฏเพราะทุกอย่างในกายของเราน่ยไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้เราจำประโยคเดียวจำให้มัน่นไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมการไม่อยู่เท่าเดิมนี่เองเป็นทุก์ตามหลักอริยสัจทั้งสี่เป็นทุกขงังทุกขังทุกขังในอริยสัจทั้งสี่ก็คือความไม่อยู่เท่าเดิมร่างกายเคยอยู่เท่าเดิมไม่ไม่มเคยอยู่เท่าเดิม จิตใจอยู่เท่าเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมในเมื่อกายอยู่เท่าเดิมไม่ได้จิตใจอยู่เท่าเดิมไม่ได้พฤติกรรมที่เกิดจากกายพฤติกรรมที่เกิดจากวาจาพฤติกรรมที่เกิดจากใจก็อยู่เท่าเดิมไม่ได้แม้แต่การทำมาหากินของเราจะได้ได um. ้ได้ได้ได้ไม <cool> ่มีเสียก็ไม่ได้เพราะมันไม่อยู่เท่าเดิมเราจับมาตรงนี้เราจะทาความเข้าใจไปได้ทั้งหมด ได้ได้ได้ได้ได้เสียเสียได้ได้ได้ได้เสียนี่ก็ถือว่ามีผลเหลืออืได้เสียได้เสียได้เสียหมดบวกลบคูณหารกันหมดไปเลยได้เสียได้เสียได้เสียได้ได้เสียเสียนี่หมดไปเลยได้ได้ได้เสียเสียเสียหมดไปเลยได้ได้ได้เสียได้ได้ได้เสียนี่ยังมีส่วนเหลืออันนี้ยกตัวอย่างง่าย ชกตัวอย่างง่ายๆไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาเพื่อไม่ให้เรานิ่งนอนใจตายใจผู้ตั้งใจปฏิบัติทำให้เห็นให้เห็นร่างกายเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเพื่อใจมันจะไม่ยึดไม่เกาะไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจไม่ชะล่าใจไม่ตายใจอะไรกับมันในเมื่อเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ การที่เรามีความรักใคร่ด้วยตัณหาด้วยราคาด้วยอะไรตัวไหนมันจะเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงมันจะเริ่มถอยออกถอยออกถอยออกถอยออกเพราะมันเห็นโทษมันไม่มีมันไม่มีใครทนอยู่ได้ดอกกับสิ่งที่เปลี่ยนโทษถ้าหากเราเห็นจริงๆและไ ม, ไม่มีใครทนอยู่ได้ยกตัวอย่างมีทางสองทางทางนี้ไปเสมอเป็นทางเท้าธรรมดาน่ะทางนี้ไป เป็นทางที่เราเดินไปประจำไปทำงานของเรานะเดินไปเดินบางเอินวันนั้นอะ่ะมีหมาเน่าขวางทางอยู่เน่แต่มันมีอีกทางหนึ่งเดินไปเนี่ยเราจะไปไหมทางเดิมเราจะไปไหมไม่ไปแล้วเราลีกไปไทางทางที่มันมีหมาเน่าขวางทางลองดูสิถ้าไม่เห็นโทษจริงๆจะไม่ออก ดำริชอบดาริชอบดําริชอบดําริออกจากกามถ้าไม่เห็นโทษของกามจะออกได้ยากเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรม ท, ทานคาถาศีลคาถาสัขกขคาถาสัขกขะคาะถาก็คือผลอนิสงค์ของกามไปเกิดบนสวรรค์บริโภคกามกามอคุณเต็มเประอยู่บนสวรรค์เสร็จแล้วพระองค์ทรงแสดงต่อไปอีกว่าอาทีนวัฏกถาโทษของกาม ท่านย้อนให้ย้อนมาดูกามถ้าพราะองค์ไม่แสดงโทษของกามพวกเราก็ติดค้างอยู่ในกามหลงไหลไฝ่ฝันอยู่ในนั้นแหละไม่เห็นไม่เห็นโทษฉะนั้น แ, แสดงอานิสงส์ของการออกจากกามพอจิตออกจากกามได้เท่านั้นแหละพระองค์ก็ทรงแสดงอริยรสัจสีแสดงอริยสัจสีคือชี้สัจจะแห่งความทุกข์อย่างแท้จริงให้เป็นที่ปรากฏชัดเจนกับเรา มันเป็นการกระตุกเป็นการกระตุ้นนี่ของจริงเอาไปประจันหน้ากันกับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราให้มันจําจํายอมกิเลสถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเป็นฐานเป็นไปประจันหน้ากับมันไม่ยอมมันไม่ยอมอืสอนให้ออกจากกามให้เห็นโทษของกามและให้ออกจากกามเฉยๆถ้าไม่มีหลักเป็นประจักษ์พยานไปประจันหน้ากับตัณหามันไม่ยอมท่านจึงเอาหลักสัจจะสัจจะ อริยสัจทั้งสไปแสดงขมวดท้ายฟังฟังจบแล้วได้ได้เป็นพระโสได้ได้เป็นได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นอย่างแสดงกับยศศากแสดงกับพ่อของยศศากแสดงอนุปปปิกขาทั้งหแล้วก็ขมวดด้หลักอริยสัจสี่ทำให้ขมวดก็ยังไม่ได้นะต้องขมวดชี้ชัดลงไปอีกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาคือหลักอริยสัจทั้งสี่ อริยสัจทั้งสี่ก็คือ อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเองอริยสัจทั้งสี่ก็คือทุกขงังทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังกะเกณฑ์ให้เป็นตามใจหวังของเราได้ไหมกะเกณฑ์ไม่ได้ด้วยเหตุที่กะเกณฑ์ไม่ได้นะ่ะพระพุ o, ทธเจ้าทจึงทรงปล่อยหมดไม่ยึดไม่ถือถ้าเป็นเราเราต้องยึดได้เราต้องถือได้เราต้องบอกได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่เราดูให้เห็นสักแต่ว่าดูเฉยๆรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยดูให้เห็นให้รู้เห็นเฉยๆปล่อยปล่อย พอเห็นเฉยๆมันก็ปล่อยไปแล้วเหมือนอย่างเราเดินบนเส้นทางนี้ที่เราเดินไปจําเนี่ยไปมีมาเน่าไฟะอยู่ขวางทางอยู่เนี่ยทั้งกลิ่นทั้งอะไรน่าเกลียดอุจาระบาดาที่สุดนะในขณะเดียวกันมีทางหลีกเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเรื่องอะไรเราจะไปแล้วไม่ไปในเมื่อเราเห็นโทษแล้วเราไม่ไปเส้นทางที่เราเคยเดินะเราไม่ไปล่ะเปลี่ยนทางแล้วเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางที่ที่ไม่ไปประสบพรเห็นไม่ต้องไปเจอสิ่งเหล่านั้นนี่ดับริออกจากกาม ดํมเบิออกจากกามคือคนที่มีความอยากภาวนาให้ใจได้รับความสงบเพราะใจเริ่มสงบใจจะเริ่มออกจากกามในขณะที่ใจสงบอยู่นะใจออกจากกรมใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นอารมณ์ธรรมไม่ใช่อารมณ์กรมนะอารมณ์กรรมคืออารมณ์ไรอารมณ์ที่เป็นรูปที่น่ารักที่สุดแต่มันมีทั้งรูปที่น่าทั้งน่ารักทั้งน่าชัง เสียงที่น่าภัยร้อที่สุดแล้วก็เสียงที่ไม่น่าไภัยร้อเสียงกวนประสาทอย่างเงี้ยเสียงมันไม่น่าภัยร้อเนี่ย อ, อันนี้เป็นอารมณ์ของกามมันไม่ใช่อารมณ์ธรรมเราเอาอารมณ์กามเหล่านี้มาบำรุงบำเรยใจของเราตลอดยืนเดินนั่งนอนให้กามมันสงบระงับไม่มีโอกาสที่จะสงบระงับ เหมือนกับเราเอาเชื้อไปเสริมไฟไปใส่ไฟท่านว่าอ่างนั้นเหมือนกับ เ, เอาเชื้อไปเสริมไฟไปใส่ไฟยิ่งใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ไฟก็ยิ่งไม่จดไม่แหงนั้นถึงขนาดนั้นน่ะเรื่องของกิเลสถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นเยือของกิเลสที่อร่อยที่อร่อยที่สุดไปเสริมมันเนี่ยที่จะให้มันพอมันไม่มีพอเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงตรัสว่านาทิตันหาสมานาที แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากของมนุษย์ไม่มีมีมีมีมี ม, ม, มีใช่ไปสอยไปสนอทกับเบื่อหน่ายต้องการใหม่เบื่อหน่ายต้องการใหม่เบื่อหน่ายต้องการใหม่เอาอะไรมาพอไม่มีพอนาทีตัณหาสมานาทีใช่ไปใช่ไปใช่ไปมันชินของอย่างดิบอย่างดีราคาชัางใช้ทั้งถนอมใช่ไปสนิทเบื่อหน่ายเอาใหม่แล้วเบื่อหน่ายเอาใหม่แล้วมันเปลี่ยนไปหมด ไอ้คาว่าไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมมันจะเปลี่ยนไปหมดเราจับประโยคนี้เราพิจารณาจับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตัวเราที่เป็นสังขารที่เป็นกองสังขารนี่เราจับได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมโอนี่เราพูดอะไรตะเตลิเปิดเผยเราพูดถึงอุโบสถศินอุโบสถศินนี้ <c oughs> คือการไปรักษาศินอุโบสถหนึ่งวันกับหนึ่งคืน เรารักษาอยู่บ้านก็ได้เรารักษาอยู่วัดก็ได้อย่างอย่างที่บรรดาเนี่ยไปรับศินแปดรับสินแปดเสร็จแล้วต้องกลับบ้านนะลุกตาให้กลับบ้านหมดละกลับบ้านรักษาศินแปดแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านเนี่ยมันก็อยู่ในกองทุลีกองละ อ, องอีกเหมือนกันอะระวังไม่เดียวข้าหัวข้าทางง่ายเหมือนกันนะแต่ถ้าไปอยู่ในวัดเนี่ยมันปลอดปลอดภัยอุโบสถทศสินนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง แต่ถ้ารักษาให้เต็มที่เนี่ยวันเข้าอยู่วันอยู่แล้วก็วันออกถ้าจะรักษาให้เต็มที่นะสามวันวันอุโบสถเนี่ยสามวันอันนี้เรารักษาอย่างสรุปสรุปหนึ่งวันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอุโบสถตัดสินเช่นอย่างวันนี้ไปรับศินนอนค้างคืนหนึ่งพอสว่างขึ้นมาก็ถือว่าก็ถือว่าหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไปรักษาอโบสถตัดินก็คือรักษาศินแปดนั่นแหละ ก็คือรักษาศินแปดเรามาคิดดูว่าศินแปดเนี่ยเราไปรักษาแค่อุโบสถศินอุโบสถศินนี่ก็เป็นชื่อเฉยๆที่พระพุทธเจ้าท่านเกณฑ์พระองค์ทั้งทรงเกณฑ์ครืหัดที่ครองเรือนอย่างน้อยๆปลีกเวลาวันศินละหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอย่างน้อยๆเพื่อไม่ให้เขาเสียประโยชน์เพื่อไม่ให้เขาทิ้งศินตัวนี้ไปอย่างน้อยก็ หนึ่งวันหนึ่งคืนนี่พอเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นคติตัวอย่างพอลองชิมรสว่า ง, งั้นเถอะถ้าเผื่อมีแก่ใจก็จะเริ่มเริ ม, รมถือถือได้ถือได้หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนถือศิน8ดแทนที่จะสื้อแค่หนึ่งคืนหนึ่งวันกับ1คืนไม่ถือแต่อบอสตศสินเนี่ยคือศินมารับแล้วก็ถืออยู่วัดหนึ่งวันกับหนึ่งคืน สินสินทุกประเภทสินทุกประเภทเวลาท่านมาสรุปสีเลนะสุขติงย анти, ันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติมันพันมันพ่วงมันพาดไปถึงนิพานนะอ่มันพาดมันพาดไปถึงนิพานแต่บางครั้งบางแห่งบางชนบางกลุ่มสีเลนะสุขติงย анти, ันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุ เสีเยแล้วนะนิพพุติจริยันติเงียบวันนั้นสมเด็จพระ ส, สมเด็จพระวันอารับท่านพูดท่านโซท่านท่านพูดเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแล้วนะนิพพานเขาเอาแต่สุกติเขาเอาแต่โพคะเขาเอาแต่สุกตินิพพานเขาไม่เอาแล้วเราเข้าใจว่า พวกเราไม่เข้าใจไม่ถนัดไม่รู้เรื่องไม่มีคนบอกไม่มีคนสอนถ้ามีคนบอกมีคนสอนจะต้องสาธุแม้แต่บางแห่งไม่เคยสาธุเลยนะสีเลนสุกติยันติไม่สาธุนะสีเลนะโพค้าสามปัาไม่สาธุเพราะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่มีคนบอกศีเลนะนี่ปุติงยันติก็ไม่สาธุแต่ถ้ามีคนบอกสีเลนะสุกติยันติศินนั่น่ะ มีอเนกสองฆ์อย่างนี้เพราะฉะนั้น ท, ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรักษาศีลต้องจงตั้งใจรักษาศีลเพราะศีลมีอันนี้สองคือศีเลนะสุขติงยันติไปสู่สุขคติไปที่ดีไปที่งามไปที่ชอบไปที่อยู่ดีมีสุขไปสู่ไปสูส่สุขคติสุแปลว่าดีคติแปลว่าไปไปคติที่ดีไปสู่ที่ดี ไม่ใช่ไปสุก็ก็ไอสุคติไปดีนี่แหละเป็นเหตุให้เราได้สุขไม่ใช่ว่าได้คติไม่ใช่ไปสุขนะไปสู่ที่ดีสุแปลว่าดีสุคติมันมีคำสองคำหนึ่งสุสองคติคติแปลว่าไปหนึ่งสุแปลว่าดีไปสู่ที่ดีด้วยเหตุที่เราไปสู่ที่ดีนี่แหละเราจึงไปประสบความสุขสีเลนะสุคติงยันติย่อมได้สุคติ ย่อมได้โคะคือโคะไม่วิบัติเศรียนันนะโคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยโคะเพราะอะไรเพราะคนผิดศีลเป็นการทำลายโคะของตัวเองเราไปดูที่คนเที่ยวคนเล่นคนติดพนันติดอะไรต่ออะไรสรรพัด น, น่นั่นคือคนผิดศีลลองมีศีลไม่เล่นสิเหล่านั้นมันจะผิดอะไรเล่าก็ไม่กินเล่าก็ไม่กิน พ น, นันก็ไม่เล่นเที่ยวกลางคืนที่จะต้องเสียห้าเสียสิบเสียอะไรต่ไรก็ไม่ไม่ทำแล้วก็เป็นเหตุให้เราไม่ผิดสินในเมื่อไม่ผิดสินมันก็เป็นการรักษาโภคคะของเราอยู่ได้เราเคยเสียค่าเหล้าเคยเสียค่าบุหรี่เราเราเราไม่ผิดสินข้อนี้ปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องเสียเลยรักษาโภคคะไว้อยู่ยิ่งเราไปฆ่าคนเราไปตีคนไปทะเลาะเบาะแงไปฆ่าไปแทงไปอะไรต่ไรกัน มีเรื่องขึ้นรองขึ้นสารหมดซับก้อนใหญ่แล้วตอนนี้โภคะเหลือไหมไม่เหลือเราไปเที่ยวครังคืนก็เอาโคคะดนี่แหละไปล่อผู้ชายก็ไปล่อผู้หญิงผู้หญิงก็ไปล่อผู้ชายโคคะที่ไหนมันจะเหลืออะไปเล่นพ น, นันเนี่ยก็เอาสมบัติซึ่งเป็นโภคะดนี่แหละไปเล่นหฟังจะได้หวังจะได้ฟังจะได้ได <laughs> เล่นจนหมดตัว <laughs> ดีไมด่ดีมีเมียจำนําเมียไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยเคยเห็นมาแล้วนะ มีคนเขาเล่าให้ฟังแล้วอมันถึงขนาดนั้นน่ะขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ไ ด, อได้อยากจะได้อยากจะได้หวังอยู่ร่อยไปว่าอยากจะได้อยากจะได้จะได้จะได้จะไ ด, ะไ ด, ะได้เวลาได้ก็พอใจเวลาได้พอใจแล้วก็ใจมันก็โตใจมันก็พองพอเวลาหมดไปก็แฟบเดินหน้าไม่กลับบ้านแหละโอ้ยทุกข์แล้วจะนี่แก่นูน้นแก่นี้ คนดีๆนิสัยเริ่มเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยถึงลักถึงปล้นถึงขโมยถึงบิดถึงเบี้ยวถึงช่อถึงโกงถึงอะไรอะไรไปหมดเพราะขาดไม้ขาดไม้ขาดมือและโภคาที่ไหนมันจะเหลือเนี่ยท่านพูดว่าคนมีศีลรักษาโภคะไว้อยู่สีเลนะโคะสัมปทามันมีเหตุมีผลทั้งนั้นอ่ะสีเลนะสุขติงยันติมันก็เป็นเหตุเป็นผลในตัว สีเลนะโภคะสัมปทามันเป็นเหตุเป็นผลในตัวอาศัยศินนี้เองพาดพิงไปถึงนิพพานนิพพานนิพพานก็คือสงบระงับดับเหตุกา ร, รา์ร้ายร้ายๆที่เราตั้งใจรักษาสินพฤติกรรมเลวๆจากการผิดสินมันไม่มีก็หมายความว่าพฤติกรรมเลวๆเหล่านั้นมันดับลงไปอันนี้ก็เป็นนิพพุติงยันติคือพฤติกรรมเหล่านี้มันดับลงไปเราไม่ต้องพูดถึงนิพพานดับกิเลสตัณหา เราพูดถึงพฤติกรรมเร็เวๆที่เราเคยทำํำมันดับไปนิปุติงนิปุติงก็คือดับไปดับไปแต่การดับในที่นี้ที่ท่านพูดถึงนิพพานนิพพานหมายถึงการดับทุกข์เราก็เริ่มดับตั้งแต่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้เป็นต้นไปสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพคะสมุทตาสีเลน ะ, ะลนะนิปุติงยันติตัดสมมาสีหลงังวิโสเถเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงรักษาศีลพึงมีศีล น, นี่อันในสองนะใสองของการตั้งใจรักษาศีล กุโบสดศจสินนพอเราไปรักษาศินปั๊บไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อืไม่ประพฤติไม่อยู่อย่างพรหมไม่ประพฤติผิดพรหมจันทร์คําว่าพรหมจันทร์ก็คือความประพฤติของพรหมพรหมเขาจะหนึ่งเดียวไม่มีคู่พวกพรหมทั้งหลายเขาไม่มีคู่อยู่อย่างพรหมอบรมจริยาไม่ประพฤติไปจากกิริยาอาการของพรหมพรหมเขาจะอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว เขาจะไม่มีคู่ครองพรหมอยู่อย่างพรหมอภิมจารย์ยาวอภิมจรรย์เพราะฉะนั้นการถือศีลแปดเป็นศีลของพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็คือประพฤติอย่างพรหมอยู่อย่างพรหมพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญการที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ท่านให้ความสําคัญ ก็เราก็ดูซิพระนันทะซึ่งเป็นน้องชายของพระองค์นอะแต่งงานใหม่ๆดึงไปสดๆร้อนๆเหมือนตีเหล็กร้อนๆต่อนหน้าเตาเนี่ยเพื่อเพื่อจะทํามีดแหลมมีดฝันมีดอะไรต่ออะไรที่เราไปตีเหล็กที่ที่มันไม่ไม่แดงเนี่ยมันตียากตรองตีเอาตอนนั้นเลยอท่านไม่ให้ความสําคัญท่านไม่เมตตาเลยเมตตาล้นเหลือเพราะดึงออกไปได้อืม เท่ากับเมตตานันทะเต็มร้อยเท่ากับเมตตานังชนบทกัญยาณีเต็มร้อยถ้าย exactly. ิ่งไปเข้าไปเกี no ่ยวข้องกันอ่ะยิ่งเสริมทุกยิ่งเสริมทุกทุกหนึ่งกองแล้วไม่พอพอไปรวมกันเข้าเป็นสองกองแบกตัวเรากองหนึ่งแบกภรรยากองหนึ่งภรรยาก็แบกสามีกองหนึ่งแบกตัวเองกองหนึ่งสามีก็แบกตัวเองกองหนึ่งแบกภรรยากองหนึ่ง แต่เราอยู่ได้เราพอใจเราอยู่ได้พระองค์ก็ทรงให้มีได้ศิ่งห้าทรงให้มีได้ตั้งใจถือตามได้ที่พระองค์ทรงวางไว้ไม่ห้ามมักห้ามผลห้ามนิ้ผ่านสามารถทําได้กฤตวิสาขาเศรษฐีท่านตั้งใจปฏิบัติจนได้พระโสดาสกิตาคพระอนาคานะไปฟังเทศพุทธเจ้าทุวันทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งไปฟังจิตมันเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีนะั่นไปก็บอกเลิก อันนั้นเธอก็เอาไปอันนี้ก็เธอก็ไปต่อไปเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกันและนางธรรมธินนาเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีรู้ว่าท่านเสรษฐรได้ถึงคุณธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรในความเป็นครอบครัวเนี่ยนางก็ไม่ยอมรับอะไรก็ไม่ยอมรับสย่งขอไปบวชไปบวชไปตั้งใจบําเพ็ญไม่กี่วันได้เป็นพระอรหันต์ก่อนแหนแพ้กันไหมไม่แพ้อคนเรามันอยู่ที่ใจ บุญญาบารมีเต็มเปี่ยมมาด้วยกันถ้าไม่มีไม่ได้พบไม่ได้เจอมีมากมีน้อยก็เป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานมาด้วยกันไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้มาเป็นมนุษย์ไม่มีนีนนนนะ่พระนันทะนะพระพุทธเจ้าท่านทำให้เป็นตัวอย่าง <c oughs> สิ่อข้อสี่ไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดสอเสียด เราดูไปในกรรมบทตรสิบในกรรมบทตรสิบกรรมบทตรสิบกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามเราจำอย่างนี้เราจําได้ง่ายกายกรรมสามเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักษรัเว้นพระพื้ผิดในกาลวจีกรรมสี่ไม่พูดเท็จพูดอยาบพูดส่อเสียดพูดเพื่อเจอมโนกรรมสามมาโลภอยากได้ของของเขาไม่พยาบามปองร้ายเขาเห็นถูกตามตานองครองทำนี่กายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสาม อันนี้เป็นศีลเป็นเป็นศีลกรรมบทเป็นศีลในกรรมบท10คําว่ากรรมบทกรรมบทแปลว่าทางเดินทาง ด, ดําเนินทางประพฤติทางปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องของศีลมันละเอียดเนี่ย mm hmm. วาจาวาจ้าก็เป็นมโนวาจ้าก็เป็นวจีกรรมวาจ้าก็เป็นวจีกรรมเสร็จ แ, แล้วศีนข้อข้อหก็คือเว้นสุราเว้นดื่มสุรามีไรยาดองของเมา สุราและเมรัเมรของหมักของดองสุราคือน้ํากลัน่นท่าว่าน้ํากลัน่นแอลกอฮอล์ที่ถูกกลัน่นท่านว่าสุราที่ยังไม่ได้กลั่นท่าเออรียกว่าน้ําดองน้ําดองของเมาน้ําดองอะไรก็ตามที่เรากินไปแล้วนี่มเมาต้ถือว่าเป็นน้ําดองผิดทั้งนั้นแหละผิดทั้งนั้นเช่อ น, น, น, นอย่างน้ําดองอะไรเนี่ยที่เขาว่าตราพยานาคบางทีพระบางแห่งเขาเอาไป ไปชันกันเนี่ยเมาเมาเมามันก็มันก็มีฐานะเหมือนเหมือนเหมือนน้ำร้องของเมาทั่วๆไปมันก็ปิดมันก็ต้องอับัติทางนั้นแหละมันก็ต้องอับัติทางนั้นแหละเพราะความเมานั่นแหละมันทําลายสติกินไม่ให้เมาได้ไหมสินขาดไหมกินไม่ไม่ห้มันเมาแล้วไปเยอรมันเขาตอนถามันอย่างนี้แหละ ข้อว่าสินข้อห้าเนี่มันผิดสินเพราะปริมาณหรือว่าเพราะวัตถุดูมันถามนะผิดเพราะปริมาณกินมากหรือว่าผิดเพราะวัตถุเราไม่รู้จะตอบอยังไงเนาะโอ๊ยอย่าไปหาต่อรองกับท่านเลยมันกินน้อยได้มันก็กินกินมากได้มันกินมากมันก็ไปอยากกินน้อยนี่แหละอย่าไปหาต่อรองกับพระองค์เลยไม่รู้จะตอบอยังไงเนาะถามเนี่ย เมืองเยอรมันมันเป็นเมืองเบีย ر. š, เป็นเมืองเบียก็บอกเขากินน้อยๆพอไม่ให้มันเมาได้ไหมกินพอตึงๆเหรอไม่เ ม, มาได้ไหมเขาบ่า ก, กินพอไม่เมาได้ไหมเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้มันถึงมีเขาบอกอเพราะปริมาณหรือเพราะวัตถุแท้ที่จริงมันก็ เ, เพราะวัตถุถ้าเราจะตอบ ว, ว่าเพราะวัตถุมันก็ถูกแล้วเพราะมันเป็นของเมาเนี่ยปริมาณ มากมากมันก็ไปอย่างน้อยน้อ ย, อยเดี๋ยวมันก็มากได้มากไปอย่างน้อยน้อยน้อยก็ไปทำไปท่ไปมันก็มากอืเนี่ยศีลศีลข้อสีเนี่ยที่สำคัญที่สุดมันทำให้เราขาดสติคนเราพอจะเป็นผู้เป็นคนเพราะว่าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติเนี่ยก็เหมือนคนบ้าคนบ้ามีจิตสักเทวารู้สักเทวารู้ ไม่รู้ว่ากิริยาที่ทําผิดหรือถูกเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรจําเป็นหรือไม่จําเป็นไม่รู้จักเพราะไม่มีสติควบคุมแล้วสติก็คือความระลึกรู้ในขณะปัจจุบันและกสัมปชัญญะคือรู้ตัวธรรมะสองข้อนี้เป็นอุปการะธรรมกํากับจิตดวงนั้นพื้นพื้นตั้งแต่ตั้งใจรักษาศีลไปจนถึงตั้งใจปฏิบัติละเอียดลึกเข้าไปจนถึงมรรคผลนิพพานพอถึงขั้นนั้นไปแล้ว ตัวสตินี้ท่านเรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมาตั้งหากมันเป็นโดยหลักธรรมชาติเป็นสติวิปุละวิปุละแปลว่าวิบูรณ์สมบูรณ์เป็นผู้เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ถึงแม้ว่าเป็นพระเขาจะโจทย์ท่านว่าท่านสังฆาปราชิกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย mm hmm. โดยเหตุที่ท่านเป็นพระอาหารหันเนี่ยสงมีสิทธิสวดสติวินัยให้ท่านมีสติสมบูรณ์ ท่านมีสติวิปละสองสวดสติวิปละเอาอาบัติอะไรไปปรับปรับท่านไม่ได้เนี่ยคือความเป็นพระรหันต์คือสติสมบูรณ์ไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางความเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมีจิตใจระดับนี้แล้วจะเป็นอย่งงางนั้นไปได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเจตนาด้วยอะไรอะไรต่อะไรมันเป็นไปไม่ได้ทางนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมีข้อเดียวเหมือนอย่างพระทัพพระมรบุตรอ่ะถูกเขาโจทย์อือ ทุกขโจรพระมูพระหมู่เล่นงานหมู่เพื่อนน่ยสร้างเรื่องสร้างรามาเพื่อเล่นงานเพราะพระทัพมาระบุตรท่านเป็นพระพระพัทถุเทศเวลาเขามานิมนต์ท่านก็ให้พระไปที่นน่นสององที่นี่สามองที่นั่นสึ่งองค์พระที่ไม่เคยได้ไปก็ <c oughs> อิจฉาเขาฟ้ององค์นี้น่ยว่าองค์นี้ไปเล่นกับนางพิุณีคนนั้นมีท้องอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้งงนงั้นประชุมสงมาพระเจ้าให้ประชุมสงสวดให้สติวินยัยนี่คือสวด ให้กับพระอาหารหันตะ์สวดเป็นอย่างนี้มันไม่มีพฤติกรรมใดๆที่จะไปล่วงละเมิดไปล่วงเกินสิ่งเหล่านั้นได้มันเป็นอานะจริงๆเราฟังล้งตาท่านพูดนะพูดแบบมั่นใจพูดแบบมั่นเหมาะมันเป็นอานะอานะคือเป็นไปไม่ได้แบบนั้นเถอะอพูดผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นเห็นว่าอานะแต่สำหรับเราผู้ค้องผู้ค้องใจนี่ อาถรหรือไม่ฐานะก็ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> สำหรับรพวกเราพวกไ ม, ไม่รู้ทั่วถึงสำหรับท่านนี่อาถรรพคือมันเด็ดขาดไปเลยไม่มีไม่มีส่วนไหนที่จะทําให้ท่านสามารถทําให้แปดเพื้อนไปอย่างนั้นได้อันนี้หมายถึงหมายถึงศินข้อห้าทำให้ขาดสติเพราะฉะนั้นในภาษาเราลดเราเพลาได้ก็นัว่าเยี่ย ม, มเราลดเราเพลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทีนี้ สมมเราถือตลอดภรษาได้สามเดือนรวมทั้งบุหลีด้วยอะไรด้วยเนี่ยตลอดภาษาสามเดือนพอออกรรษาปับ๊บเรามาระลึกย้อนหลังเอ้อเราอุตส่าห์ถือมาทั้งสามเดือนเราควรจะรักษาต่อไปจะดีกว่าแท้ที่จริงก็คือดีกว่านั่นแหละอืมพยายามต่อสู้กับความอยากตรงนี้ให้มันได้ความอยากความอยากอยากสูบเหมือนเดิมเล ย, เยแต่ได้ยินคำว่า ได้ยินเขาว่าก่อนเข้าพรรษาเนี่ยไปกินบ้างอาจจะอาจจะวันละขวด อ, อาจจะวันละขวดพอในพรรษาอดพอออกพรรษาปั๊บวันละสองขวดมันตีกลับบุรีก็เหมือนกันวันละหนึ่งซองก่อนเข้ า, าพรรษาพอในพรรษาอดพอออกพรรษาปั๊บ โอ้หนึ่งซองหนึ่งซองครึ่งสองสองเบิกคืน <c oughs> มันตีกลับอย่าลืมว่าในขณะเดียวกันที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะลดจะละจะเลิกไอ้สิ่งที่เป็นพฤติกรรมของกิเลสกิริยาของกิเลสเนี่ยอเราตั้งใจจะเลิกในขณะเดียวกันมันก็ตามแอบมาข้างหลังเราเนี่ยถ้าเรามีกําลังไม่พอ มีความแน่นหนาะมันคงกับการตั้งสัจจญาณิฐานของตัวเองไม่พอเนี่ยมันหักคอเราเลยแหละหักคอเราเลยแหละหักกลางคันเลยแหละเอาเลยเนีย่มันให้เหตุผลไปอย่างอื่นแล้วมันก็ช่วยไปกินจอยเรื่องของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราใจของเรานี่แหละมันไม่ใช่ใจ ข, ของคนอื่นนะ่ะเรายังหักไม่ได้เรายังหักล้างไม่ได้เรายังทําไม่ได้เราดูความรุนแรงความยึดติดของใจของเรา ท่านยิงว่าตันหาวปาทานตันหาวปาทานตันหานั้นมันดึงเข้าไปแล้วก็ยึดเกาะมันดึงเข้าไปแล้วก็ยึดเกาะอพอมันดึงเข้าไปมันมีตัวสัญญาอารมณ์แทรกเข้ามาข้อเท็จจริงอยู่เฉพาะหน้ามันไม่ให้ดูมันเห็นเป็นผิวเผินอะไรที่เราไม่ดูชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันพรางตาเป็นริดเด็ของตันหาทั้งนั้นเป็นริดเด็ของตันหาท่านั้น เหมือนอย่างเราดูรูปเนี่ยรูปนิ่งๆเนี่ยรูปนิ่งๆผู้ชายผู้หญิงเนี่ยดูรูปรูปนิ่งๆรูปภาพนิ่งๆเนี่ยพอดูไปแล้วพอตันหาราคะมันแทรกเข้ามาปับเนี่ยรูปนิ่งๆหลยเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรขึ้นมาทันทีเราดูเถอะไอสิ่งที่แสดงปรากฏเฉพาะหน้าเราเป็นของจริงหรือเปล่าเป็นมายาที่มันหลอกเข้ามาซึ่งเรารู้ไม่ทันมันถ้าเป็นของจริงต้องมีอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แต่นี่นี่นคือของจริงปัจจุบันทันด่วนเป็นของจริงอย่างนี้ อันนี้ผู้ตั้งใจปฏิบัติพอจะรู้จักได้บ้างพอจะรู้ทันได้บ้างว่าอยู่กับของจริงแต่สำหรับผู้ไม่สนใจไม่ปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยอยู่กับมันทั้งหมดเลยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนสัญญาอารมณ์มันมาดึงแท้ก็ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยไอ้ของที่มีจริงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าที่เป็นรูปมันก็ไม่ยอมรับนะมันมันมันตัณหามันไปเสริมรูปใหม่ให้เรา ไปใช้สอยถูกอกถูกใจที่สุดอะไปใช้ไปสอยจนเสร็จสับเรียบร้อแล้วเหลือเหลือแต่กระดูกมาแล้วเอาไปกินจนหมดแล้วหรือไม่ก็เลือดเยิ้มกลับมาล้มตาถ้าเลือดถูกเลือดเยิ้มกลับมาไปเจอกองทุกเลือดเยิ้มกลับมาหูก็เช่นเดียวกันกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่ออะไรก็ตามของจริงๆที่เราปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยอ่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะทัน เพราะสติเราไม่ทันในเมื่อสติเราไม่ทันตัณหามกแ็แทกเข้ามาโดยเฉพาะอย่างการสัมผัสเนี่ยแม้แต่สัมผัสเราก็ติดติดสัมผัสนะสัมผัสนี้เราไม่ต้องเห็นนะแค่อวัยวะสัมผัสอวัยวะเราไม่ต้องเห็นเนี่ยเราติดรถสัมผัสเราติดอะไรเราติดอะไรรถสัมผัสก็คือรถของเวทนานี่ยเองสัมผัสดีสัมผัสไม่ดี ว่าให้มันตรงๆไปก็คืออะไรคือความรู้สึกนั่นเองเราหลงความรู้สึกของเราเองเราไม่ทันความรู้สึกเพราะฉะนั้นเรามีพยายามมีสติมีสมาธิมีปัญญาและก็มาทันความรู้สึกของเราเมื่อทันความรู้สึกของเรากิเลสมันถึงจะอยู่หมดัดถ้าไม่ทันความรู้สึกของเราจะไม่อยู่หมดัดเราเห็นระบบการทำงานของกิเลสเป็นเส้นเป็นสายมา แล้วก็มารวมกันตรงศูนย์กลางที่ทำให้เกิดธรรมมาถึงจุดเปลี่ยนเป็นธรรมก็ได้เป็นกิเลสก็ได้คือตัวความรู้สึกตัวเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาผัสสะคือความสัมผัสผัสสะคือความกระทบในในระหว่างที่อยายตนะภายในกระทบอยายนตนะภายนอกเนี่ยวิญญาณก็เกิดผัสสะก็เกิดเวทนาก็เกิด แต่ถ้าหาเราตั้งสติร่อยู่เราจะเห็นว่าเวทนาคือความรู้สึกสักท ว, ว่าเวทเวทนาคือความรู้สึกจิตมันจะไม่ซึมกาําซาบหรือซึมซาบดูดซาบเอาความรู้สึกนั้นเข้าสู่หัวใจพระอาหารหันต์ท่านทำจนจ น, จนเชื่องจนจินจนจนนิ่งจนไม่กําเริบจิตของท่านจึงเหมือนเหมือนใบบัว <c oughs> ใบบัวนี่น้ํามันจะไม่ซึมเข้าไปในนั้น เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวกลิ้งแล้วก็ตกไปกลิ้งแล้วก็ตกไปกลิ้งแล้วก็ตกไปตกไปไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจรู้เห็นเข้าใจทะลุปลูพองหมดแต่มันไม่ซึมซับเข้าไปเพราะฝึกหัดจนไม่กำเริบจนอยู่ตัวแล้วเนี่ยเนี่ยจุดที่ทำให้วิถีความรู้สึกของเราเปลี่ยนก็คือจุดของเวทนาตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นจาเรียกว่าวิญญาณ ในขณะที่กระทบเดียวกันน่ะเป็นผัสสะด้วยหากมันทํางานชึกเดียวถึงกันหมดเกิดเวทนาด้วยถ้ า, าเรารู้ไม่ทันเราก็ยึดเวทนาที่ดีความรู้สึกที่ดียึดความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกมันเป็นตัวแปรแล้วถ้าหากเราไม่มีสติไม่มีปัญญาควบคุมอยู่ตัณหาสวมรอยปั๊บเสร็จมันเลยตัณหาสวมรอยปั๊บเสร็จมันคําว่าเสร็จหมายความว่ายินดีและกัยินร้าย เวทนาที remark, ่ใจคือยินดีใจยินดีใจยินร้ายแต่พวกเราเราเห็นทุกขเวทนาคือร่างกายเราเจ็บเราปวดร่างกายเราเจ็บเราปวดถ้าใจไม่ไปเกาะความเจ็บความปวดของกายแสดงว่าใจของเราไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจะเห็นว่าปวดสักจะว่าปวดแล้วก็ดูมาที่จิตของเราจิตยินดีหรือจิตยินร้ายพยายามดูจับดูตัวจิตที่ยินดีตัวจิตที่ยินร้ายมันจับได้ ถ้าหัดจิตของเรายินดีก็ตามยินร้ายก็ตามแสดงว่าสติเราอ่อนแล้วตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาแล้วถ้ามันแทรกเข้ามาไม่ได้อัตตาตัวตนโผล่ไม่ได้การถือเนื้อถือตัวไม่มีการยึดการถือไม่มีตัณหาที่จะมาสวมรอยให้เกิดขึ้นอีกไม่มีในเมื่อมันห้วนห้วนมันหมดตัณหามันไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดพบก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดสิ่งที่คาดมา คาดเอาไว้หมายเอาไว้ว่าจะเอาไว้จะเอาว่าจะทาว่าจะทามันก็ไม่มีเหมือนกับคนเหมือนกับพระอรหันต์ท่านหมดการคาดหมดการหมายหมดที่หมายบางนั้นเถอะคือหมดภพหมดชาติหมดภพคือที่หมายหมายว่าจะไปหมดผู้ที่จะไปเกิดหมดผู้ที่หมายหมดที่หมายหมดผู้ที่จะหมายในเมื่อมันมีที่หมายแสดงว่ามันมีผู้หมายผู้หมายคือผู้ ที่ทําให้ตันหามันผ่านเข้าไปแล้วมันยึดยึดยึดก็คืออุปาทานอุปาทาน อ, อุปาทฐานยึดอะไรยึดพบเหมือนอย่างเราสมมติอย่างเรายังไม่ได้รับทานอาหารนี้อันนั้นแซ่บอันนี้อร่อยเมื่อไรจะเลิกเนาะเมื่อไรจะเลิกเนาะพอเลิกไปปับ๊บอันนั้นแซ่บอันนั้นอร่อยเราปิดไว้อย่างดนาีนั่นแ่ะคือพบ <c oughs> พอเราออกจากนี้ไปปับ๊บเราก็ไปโผล่ตรงนั้นแหละ อันนั้นคือชาติคือความไปเกิดอันนี้เรายกตัวอย่างมาพอให้เราพอเข้าใจว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราระหว่างตันหามันมาเก่อ น, นหัวใจของเรากับทำมาเกี่ยวข้องกับใจของเราทําให้ตันหาเข้ามาแทรกไม่ได้มันแตกต่างกันตรงนี้อย่างนี้อันนี้ผู้ตั้งใจปฏิบัติพอจะรู้ทันบ้างพอจะเข้าใจบ้างถ้าหากไม่เคยปฏิบัติไม่เคยต่อก่อนกันเลยไม่รู้จักไม่รู้เรื่องวันคืนยืนเดินนั่งนอนเราอยู่กับ มายาผิวเผินของมันทั้งนั้นเลยท่านจชื่อว่านาทีตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาในใจของคนไม่ไม่มีแม่น้ำในมหาสมุทรมากมายมหาศาลสู้ตันหาในใจของคนไม่ไดยออไ้ยับเรื่องอะไรย็บเรื่องอะไรเพราะใจนี้มันออกมารูท้ทุกทุกชั่ทุกเวลาเรามาดูเรามาดูเราเกิดมากี่กับกี่ปูเรชาติกับกันมาแล้วตันหามันมากมายมหาศาลสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นในมหาน้ำในมหาสมุทจะเท่าอะไรมันเท่าไม่ได้อืมมันเกิดจนไม่มีไม่มีช่องที่จะละที่จะเว้น่ะถ้าหากไม่มีคุณธรรมรู้เท่าทันรู้ทั่วถึงมันเนี่ยเป็นข้อมันเป็นข้อมันทีน่สนบัตากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากตัณหาก็คือกิเลสกิเลสคือตัณหาในเมื่อพฤติกรรมของมันเกิดขึ้นมันเป็นพฤติกรรมของกิเลสผลรายได้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านให้ต่อก่อน ต่อกอกรกมันก็คือท่านให้เอาพฤติกรรมที่เป็นธรรมมาเจริญมามาถือมาพึ่งมาปฏิบัติเหมือนอย่างที่บรุตั้งสัจจะเงี้ยคือพฤติกรรมที่เป็นธรรมเราเอามาตั้งเพื่อเป็นการปราบกิเลสตัณหาที่มันเคยก้าวไก่ล่องละเมิดในหัวใจของเราตัณหามันก้าวไก่ล่องละเมิดในหัวใจของเราทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากนึกถึงเรื่องศีล น, นึกถึงเรื่องธรรมนึกถึงเรื่องธรรมนึกนึกถึงอะไรอะ่ะ นึกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธนัมมริธรรมธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆอันนี้ถือว่าจิตของเราอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยสินอยู่ด้วยธรรมผลรายได้มันก็ต้องเป็นธรรมมันไม่ใช่รายได้เป็นกิเลสไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเวลามันพาธรรมผลก็ตกตกเป็นรายได้ของมันอาชีนกรรมของชาวพุทธเราเราควรจะ ทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากทำก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนธรรมที่เราควรควรทำก็เหมือนอย่างที่เราตั้งสัจจะที่ฐานเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของมรรคมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่เราจะพึงเสริมเข้าหมายเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราที่เราพูดไปถึงศิญปัตยังไม่จบวิการละโภชนาะวิการละโภชนาก็คื อ, อ, อไม่รับทานอาหารในอย่างวิการศิญปเนี่ยไม่รับทานอาหารในอย่างวิการนะ นะหรือไม่รับทานอาหารเย็นเจออาหารร้อนเนี่ใส่เอาใส่เอาอะนะ <c oughs> ไม่ใช่นะอย่างมิการตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่ตราบใดอรุณยังไม่ขึ้นยังไม่ใช่การท่านเรียกว่าวิการวิการแปลว่าไม่ใช่การวิการแปลว่าไม่ใช่การเวลาที่เราจะจะพึงจะพึงบริโภคจะพึงกินตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่ ใครว่าครึ่งหนึ่งของกลางวันตอนตอนบ่ายไปจนถึงจนไปจนถึงเต็มหนึ่งคืนกว่าอารุณจะขึ้นนี่คือยางวิการคือไม่ใช่การไม่ใช่การที่บริโภคที่เรียกว่าไม่รับทานอาหารในยางวิการนี่แหละคือวิการถือได้อย่างนี้ก็เหมือนกับพระน่ยพระท่านไม่รับทานอาหารในยามวิการใ น, ร ใ, นในข้อเดียวกั น, นเนกรเหมือนกันไม่รับทานอาหารในยางวิการศินแปดเหมือนกันไม่รับทานอาหารในยางวิการแต่เรารับแต่ประเภทที่ไม่ใช่ไม่ใช่อาหาร เช่นอย่างพวกเลกตาซอยเนี่ยเราถือว่าเป็นอาหารถั่วเหลืองท่า น, นถือว่าเป็นอาหารนะวัดป่าเราไม่ทานนะว่ไม่ฉันนะวัดป่าเราไม่ฉันเลกตาซอยถั่วเหลืองเนี่ยพวกโยโกงโยเกิร์ตอะไรเนี่ยท่านถือว่าเป็นอาหารๆๆนมเนี่ยท่านถือว่าเป็นอาหารแต่เนยได้เนยมันมีอยู่ในบาลีพระบาลีเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ํำผึ้งน้ำอ้อยเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกเราจึงทานกัน น้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลแต่เอาอ้อยทั้งลํา ม, มากัดเเคี้ยวกัดเคี้ยวกลืนดูดดูดกลืนน้ํานี้อันนี้ไม่ได้ผิดโดยเฉพาะพระเรา exactly. นะอต้องมากรองจนไม่มีกาดกรองจนไม่มีกาดแล้วมากัดแล้วก็ดูดน้ําหวานกัดกินเค <this> ี้ยวกินแล้วก็ดูดน้ำหวานอันนี้ไม่ใช่ปานะจึงมีวิธีการทําให้ถูกอัตบานอัตบาน บางคนก็ไปกรองแปดแ8ดครั้งคือไม่เข้าใจคําว่าอัฏฐบาลอัฏฐบาลแปลว่าผลไม้ที่ท่านพูดไว้ในพระบาลีแปดอย่างอัถฐแปลว่า8ดบานปานะปานะแปลว่าน้ําผลไม้ที่เอามาทำน้ําปานะได้แปดอย่างแต่ต้องไม่ใช่น้ําร้อนต้องเป็นน้ําเย็นสมมติอย่างเราต้มน้ําร้อนเนี่ยเราต้องไว้ให้มันสุก ไม่ใช่ร้อนนะถ้าร้อนมันจะไปทําให้เสียเสียเสียรสชาติอย่างที่วัดเขาทำที่วัดเขาทาเขาใช้น้ําร้อนนะเขาจะต้มน้าร้อนต้มแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วเอาอันนี้แหละไปผสมกับน้านนะําปลาเสร็จแล้วมากรองกรองจนไม่มีไม่มีกากกรองจนไม่มีกากเสร็จแล้วก็มาหยอดน้ําตาลแล้วก็มาหยอดเกลือเช่นอย่างน้ํากระทอนสะท้อนเนี่ยสะท้อนน่ะหน้านี้หน้าสะท้อนเนีน่ย เขาก็จะหยอดน้ําตาลแล้วก็หยอดเกลือพอปลั่มๆปานะที่สำคัญคือกรองไม่จําเป็นว่าจะต้องกรอง8ดครั้งคําว่ากรองแปดครั้งคือไปตีความหมายผิดว่าอัฐบานอัฐบานแปลว่าต้องกรองแปดครั้งอันนี้ผิดสองครั้งสามครั้งถ้าผ้ามันละเอียดมันก็อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกากไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาเอาน้ําส้มอะไรที่มีกากที่เป็นน้ําส้มสําเร็จตามร้านน่ะ มาแล้วมันมีกากอันนี้ไม่ได้ถ้าจะให้ท่านฉันได้ต้องเอาไปกรองซะก่อนเอาน้ำนั้นแหละไปกรองกรองสองครั้งสามครั้งไม่มีกากก็เอาน้ำที่ผ่านการกรองแหลมามาถวายท่านได้เนี่กรองเอากากออกแล้ว อ, อันนี้เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ท่านให้ฉันได้แต่พระทาเองไม่ได้ต้องต้องคระหัดทาเนียนทำเนียนทำได้ คราวาสทาได้พระทำไม่ได้อืแม้แต่เอามาปรุงจืดเึินไปออกเกลือมาหยอดจืดขึ้นไปเอาพริกมาหยอดอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เคยมีหมู่ทำํำแล้วก็มีการโจกดันว่ากันตำหนิกันอยู่ผสมน้ำมะนาวเอาบีบมาบีบมาบีบมาให้กรองให้อย่างดีมามามาปรุงเองนี่มีการตําหนิกัน ต้องให้คาราวาสเขาทำจนเสร็จสับเรียบร้อยหมดเรามีหน้าที่อย่างเดียวยกใส่าปากปานะอันนี้มันก็เป็นน้ำกระสายช่วยในยามวิก า, างงน เ, เหมือนอย่างเราเคยรับสองสามือ้อบางทีก็สี่มือ้อห้ามื้อต่อวันเน่ยพอเราถือโบอสดสินปั๊บเนี่ยไม่รับทานอาหารในยามวิการเราต้องอาศัยเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ ร่างกายมันได้น้ําตาลมันได้พลังงานอยู่กับน้ําตาลแท้ๆเลยแหละพวกที่อดอาหารเนี่ยอ่พวกน้ำปลาหงปลานะปลาอะไรต่ว อ, อะไรถ้ามีน้ําตาลถ้าหวานหวานหน่อยเนี่ยอ้ามันช่วยมีแรงช่วยมีพลังงานช่วยมีพลังงานช่วยมันก็อยู่ได้พอเยียวยาแค่นั้นเองท่านบอกว่าเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าผู้ที่มีคุณธรรมตั้งแต่พระอนาคามีเป็นต้นไปอะ ท่านจะรับทานอาหารมื้อเดียวไม่มีสองดอกไม่มีสองมือสามมื้อไม่มีรับทานอาหารแค่มื้อเดียวมื้อเดียวเพียงพออยู่ได้สบายเรามาดูวัดป่าเราท่านฉันมื้อเดียวนอกจากมื้อเดียวแล้วท่านก็อดอีกสองวันสามวันมาฉันสองวันสามวันมาฉันสองวันสามวันมาฉันต้องจะฉันมื้อเดียวแล้วยังอดอีกต่างหาอีกมันก็อยู่ได้เพราะร่างกายของเราเนี่ยมันปรับ มันปรับไปตามที่เราฝึกมัน่ะเราฝึกให้มันให้มันน้อยมันก็มันก็ปรับได้แต่ก็ยกเว้นไปใช้แรงเป็นแบกเป็นหามเป็นกรรมกรเป็นอะไรต่อะไรต้องใช้แรงมากอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งอ่าแต่ผู้ที่ทำงานแบบนี้โดยเฉพาะงานตั้งใจภาวนาเนี่ยเราให้มันแค่นี้เนี่ยอยู่ได้สบายเลยอยู่ได้เนีเหมือนอย่างเจ้าของนี่ยังเอาอยู่ชอบอยู่เอาอยู่เรื่อย เวลาตะวันบ wow. oh, <laughs> <laughs> ่ายๆสี่โมงห้าโมงเนี่ยโอ้ยเงือแตกสะสะสไม่เข็ดไม่เข็ดนะคือคือแรงมันหมดมันตกกําลังมันตกไม่เข็ดเอาอยู่เรื่อยนะหมู่ก็รู้จักเขาก็มาหยอดน้ำมันนุ่นนิดน้ํามันนีดหน่อยก็แล้วไปแต่บางวันก็ไม่เป็นบางวันก็เป็นอยนมีอเนสงเขาบอกว่าเวลาไปเช็ค สุขภาพก็บอกว่าทำไมความดันไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันอะไรเลตโคเลสเอนอะไรในในไขมันอะไรไม่มีเราอยู่ๆเราไม่ได้ถามหมอเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอาจารย์พวกอาหารที่เรารับทานเข้าไปเนี่ยสมมติว่ามันหมดอายุแล้วมันหมดช่วงมันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใส่เข้าไปให้มันมันอีกร่างกายมันทำอีกมันเอาของเก่ามามาฟื้นมามาทใหม่อีก มันเอามาใช้จนหมดว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นไขมันอะไรต่อะไรมันถึงเอามาใช้งานจนหมดอ้าวกลายเป็นว่ามีอันนี้สงมีอันนี้สงรับประทานน้อยแต่มีอันนี้สงต่อสุขภาพไม่เป็นไม่เป็นความดันเบาหวานไม่เป็นไขมันอะไรไขมันในเลือดไขมันในเลือดนี่อันตรายนะทุกวันเนี่ยอืมทําให้เส้น ตีบเส้นตันเส้นอัน้นเส้นอะไร่อะไรหน่อยเลือดขึ้นสมองมาได้วิกลวิการง่ายๆที่ครูบาอาจารย์เราเป็นกันบ่อยก็ไขมันนั่นแหละไขมันในเส้น เ, นนเนลือด น, น, นี่เราพูดถึงวิกาลโภชนาราอยู่สุขสบายรับทานอาหารแค่นี้ร่างกายปรับได้อยู่ได้สบายมันหักปรับความพอดีของมันนะ แต่ถ้าหากคนอ้วนอ่ะเรายิ่งรับทานยิ่งหิวยิ่งรับทานยิ่งหิวยิ่งรับทานยิ่งหิวเพราะร่างกายมันบดย่อยขยี้มันทํางานน่ะมันเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันต้องใช้พลังงานเยอะมันดูดน้ำมันเยอะๆย่าเงี้ยเราใส่ไปนึกก็หมดใส่ไปนึกก็หมดใส่ไปนึกก็หมดเพราะฉะนั้นมันหิวบ่อยเหมือนกับโรงงานที่มันป้อนวัตถุดิบไม่พอไม่ทันเนี่ยอป้อนเข้าไปเรื่อยป้อนเข้าไปเรื่อยพอหมดมันก็เรียกเอามหมดหมดมันก็เรียกเอาหมดมันก็เรียกเอาคนอ้วนเลยหิว หิวเพราะอะไรเพราะข้างในมันทํามันบดมันย่อยไปแล้วมันหมดบทย่อยไปแล้วมันหมดมันไปใช้นูน้นไปใช้นี้ไป ใ, ใช้นี้มันเอาไปสร้างตรงนู้นสร้างตรงนี้ไอ้ที่เคยแฟบแฟบก็ตึงขึ้นอ้วนขึ้นอะไรขึ้นมันไปสร้างผลเพิ่มเพราะมันไปปลูกเซนไปอะไรต่ออะไระเซลอะไรนะที่มันขึ้นเนี่ยมันก็ตีแตกกระจายไปเป็นมากมายมหาศาลเลยอ้วนขึ้นพีขึ้นลองอดลองอด ไอ้พวกนั้นมันก็ยุบตัวมันก็ย่อยตัวมันก็สลายตัวมันก็หายตัวมันก็ตายไปเหมือนกันจะเคยอ้วนพีมันก็จอยลงใจลงพ้อมลงพร้อมลงพอมอลงเราดูลักษณะ น, นี้เราก็ได้ผลอีกโอ้ความไม่อยู่เท่าเดิมมันใช้ได้กับทุกอย่างความไม่อยู่เท่าเดิมนี่เป็นทุกขงังอย่าลืมความไม่อยู่เท่าเดิมนี่คือทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนันอีกอย่างภาวะอันนี้มีอยู่ประจําโลก โลกกระแทกใดๆก็ตามมีสิ่งเหล่านี้อยู่ไปจําโลกอืพระพุทธเจ้าองค์ไหนท่านก็แปลเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่นักวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงดินน้ําลมไฟข้างนอกตัวเราได้แม้แต่ในร่างกายของเราเขาก็ดัดแปลงได้เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี้เปลี่ยนอะไรต่วอะไรก็สามารถทําได้แต่เปลี่ยนอนิจจังทุกขังให้เปลี่นไปตามใจหวังของตัวเองเปลี่ยนไม่ได้โดยเหตุที่เปลี่ยนไม่ได้นี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตา เราจะวาตัวตนเราได้ยังไงในเมื่อเราหวังอะไรไม่ได้จากมันอืความหวังก็คือความหวังของใจความรู้สึกนึกคิดคือความรู้สึกนึกคิดของใจแต่ภาวะของกายมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมีเหตุมีปัจจัยของมันตั้งหากนะทางทั้งที่ร่างกายของเราเป็นสมบัติของใจนี่แหละแต่มันเป็นสมบัติของใจต่อเมื่อใจไปจับไปจองในท้องแม่แค่นั้นเองหลังจากจับจองแล้วก็อยู่วัฒนาถาวรออกมากายก็ทําหน้าที่ส่วนกายไปเห็นไหม ดูเลือดดูเนื้อจากแม่เลี้ยงทุกระยะทุกเวลาเจเดือนแปดเดือนเก้าเดือนกว่าจะได้ออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมท่านจริงว่าสังขารเนี่ยคือสิ่งที่รวมกันสิ่งที่ประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราดูอยู่รอบข้างตัวเรามีอะไรอยู่เท่าเดิมไหมไม่มีเพราะฉะนั้นภาวะต่างๆพฤติกรรมทุกอย่างที่เราจะให้อยู่เท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้ มันฝือนอนิจจังฝืนทุกขงังเราฝืนทีไรเมื่อไร่เราก็ทุกฝืนทีไรเมื่อไหรเราก็ทุกเราฝืนคือฝือนเพื่อที่จะให้เป็นอัตตาแต่ภาวะเหล่านั้นมันเป็นอนัตตามันเป็นภาวะที่ฝืนไม่ได้ความชอบใจของกายกับความเป็นไปตามหลักธรรมชาติความชอบใจของใจกับภาวะความเป็นไปของกาย มันเข้ากันไม่ได้เหตุปัจจัยมันเข้ากันไม่ได้มันเหมือนหินหักต่อกันไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่ตันหามันสิงอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันโง่มากมันไม่รู้จักมันพยายามจับให้เป็นเหมือนอย่างที่มันหวังเราไปสูต์กันง่ายๆว่าไฟจงดับไฟจงดับมันไม่ดับเพราะเหตุปัจจัยอยู่ที่มันลองเราไปดับสวิตซ์ปั๊บมันถึงจะดับนั่นคือเหตุปัจจัยของมันแต่ความต้องการของใจ เสว่างอยากดับอยากดับอย่าดับสมมติเราจะนอนลราอยากดับไฟคิดให้มันดับเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่มีพลังไม่มีอนุภาพไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไม่ได้ดอกพุทธเจ้าท่านสามารถบันดาลอะไรได้ทั้งหมดเพราะพลังความสําคัญไปในพระไยัยของพระองค์มีมากต่อมากบุญญาบารมีที่การบุญญาทีการมีมากโดยเหตุที่คุณธรรมเหล่านี้มีมากจึงมีฤทธิ์มีเดชมีอภิน ญ, ญา สามารถดำดินบินบนหอกได้อะไรได้ฟังดูเิพระว่าพระอานนท์เนี่ยดำดินไปผุด ท, ท่าคกลางสงฟังดูดิ <c oughs> ฟังดูสิไปด้วยไปด้วยอะไรไปด้วยแรงของอะไรเราดูสิเร า, า, า, าไม่ได้เห็นก็หูกระตาเราก็ฟังไว้ท่านพูดเอาไว้ให้เราฟังจริงเรานี่มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญ า, าการมีฤทธิ์การมีเดช มันก็ไปจากอำนาจของจิตพลังของจิตอำนาจของจิตนี่เองพรา์เขาถือว่าความสงบเป็นความสุขในความสุขนั้นจะต้องมีผู้เสวยสุขถ้าไม่มีผู้เสวยสุขจะเอาอะไรมาสุขเพราะฉะนั้นเขาจึงมีอัตตานิพานของพระ ม, มีอัตตา ท่านเรียกว่าอาตามันอัตมันตายแล้วไปเกิดร่วมกันกับพระพรหมรวมกันเป็นปรมาตตมันและเที่ยงอยู่อย่างนั้นคงที่อยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระพรหมก็มีอายุจํากัดเพราะพระพรหมมีภูมิจํากัดอยู่แล้วในเมื่อมีภูมิจํากัดก็ต้องมีอายุจํากัดพอหมดอายุไขตกตบ๊บลงมาแล้วตามบุญตามกรรมเดิมท่านจึงตกค้างอยู่อย่างนั้น แต่ท่านล่วงไปซะก่อนหลังจากพระพุทธเจ้าของเราสําเร็จดูแต่ท่านปฏิบัติมาคนละเจ็ดสิปีแปดสิปีนะกว่าจะได้รูปปัสมบัติรูปปัสมบัติพระพุทธเจ้าของเราบุญญาธิการน่ะไปเรียนภายในระยะไม่ระยะเวลาไม่ขี่วันท่านบรรลุท่านสําเร็จสาเร็จคุณสมบัติเหล่านั้นนะบอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วภูมิความรู้ที่พวกเรามีเธอเรียนจบหมดแล้วพระพุทธเจ้าคิดว่าจบแล้วนะคิดว่ากองทุกข์ทั้งหลายจะหมดไป โอ้ยกองทุกยังกองเต็มแปรอยู่ในหัวใจเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็มันเป็นบุญญาบา ร, รมีของท่านแค่นั้นมันไม่ใช่วิสัยของพระโพธิสัตว์หรือถ้าหากท่านยังเป็นถ้าหากดาบทั้งสองนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็หมายความว่าบา ร, รมีของท่านของท่านยังไม่ถึงไม่มีอะไรมากระตุน้นให้ท่านมาดาริว่ากองทุกยังมีอยู่กองทุกยังมีอยู่ด้วยเหตุอันนี้เองจึงถือว่า ต้องมีอัตตาผู้เสวยผู้เสวยผู้เสวยสุขถ้าม่มีผู้เสวยสุขจะเอาอะไรมาสุขแน่จึงละตัณหาไม่ได้ละอัตตาไม่ได้ก็คือละตัณหาไม่ได้ยังมียึดอยู่นั่นแหละโดยเหตุที่ยึดนั่นแหละคืออัตตาอัตตาคือคือยึดไม่มีปล่อยมีแต่พระพุทธเจ้าเขาเราปล่อยหมดพิจารณารู้แล้วก็ปล่อยหมดพิจารณารู้แล้วก็ปล่อยหมดการปล่อยของพระพุทธเจ้าเข้าถึงบร ม, มสุขสุขยิ่งกว่าตอนยังไม่ปล่อย หมดอัตตาหมดตัวตนหมดพจหมดพบหมดภูมิหมดที่หมายหมดผู้ที่จะไปสู่ที่หมายนั้นหมดผู้ที่จะหมายที่หมายไว้ที่จะไปเกิดไม่มีผู้ที่จะไปเกิดตรงนั้นไม่มีในเมื่อจิตดรงนี้ไม่หมายมันก็ไม่มีอะไรหมายความหมายนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของตัณหาตัณหามันหมายมันหมายพร้อมกับยึดมันยึดพร้อมกับหมายอยู่นั่นแหละ มันเยือแล้วมันหมายไปสารพัดสารพังของมันนั้นไปนี่คืออํานาจของตันหาในหัวใจของเราโอ้เราพูดประกอบเรื่องศีลยังไม่จบอนัจคีมาลาแล้วก็อุดจามี่สองข้อสุดท้ายหกเจ็ดแปดแปดข้อแต่นัจคีกับมาลาเนี่เป็นสองข้อของสมณเณรนะนัจคีข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งของสมณเณรนัจคีก็คือร้องรําทําเพลงหรือ เข้าไปฟังขับร้องรำทำเพลงหรือเข้าไปประโคมร้องรำทำเพลงหรือไม่ก็ร้องเพลงผิวปากอันนี้เขาเรียกว่านักขีนัก ข, กขีขับประโคมดนตรีหรือร้องรำทำเพลงมาลาก็คือประดับประดาตกแต่งร่างกายอันนี้อันนี้สินข้อ7จ็นะสินข้อ7ของสิน8เท่ากับศินสองข้อของสมณเณร เราถือสินข้อ7ของสิน8เท่ากับสินสองข้อของสมณเณรนัทจะขี่ขีข้อ1มื่งเมลาข้อหนึ่งนัทจะขีก็ทำเพราะอะไรทำเพราะความเพลินดูสิเพลินไปกับการรอ้องเพลินไปพร้อมกับการรำการฟอนเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่นิสัยของคนบางคนพิจารณาแล้วก็ได้อจไ้ทำจากสิ่งเหล่านั้นก็มี พิจารณาแล้วได้อัดได้ทำจากสิ่งเหล่านั้นก็มีเพราะอะไรเพราะเห็นแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตัณหามันแทรกไม่ได้มันไม่มันแทรกไม่ได้กับเสียงร้องมันแทรกไม่ได้กับเสียงประโคมเหล่านั้นอันนี้หมายความว่าหัวใจที่ถึงถึงขั้นที่รู้เหตุรู้ปัจจัยมันเทียบเคียงมันรู้มันเข้าใจได้หมดเนี่ยทำด้วยความรุ่มหลงถ้าหากไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือโอ้ น, อนั่นพฤติกรรมของความรุ่มหลงแต่ถ้าหากเราไม่รู้เราไม่เข้าใจสนุก สนานเพลิอน อ, อันนี้เป็นเรื่องของสังคมที่เเขาเอามาทําเพื่อเป็นการเชื่อมเพื่อเป็นการประสานกันเพลินสอดแทรกคติอะไรจ ะ, ะไรสารพัดในการร้องเหล่านั้นอบางครั้งเขามาร้องเนื้อหาความเป็นธรรมท่านก็เป็นธรรมเหมือนกันนะสมัยเพลินปรมแดนเอาประวัติหล้มตาไปร้องใหม่ๆอ้ยพวกเราฟังแล้วติดอกติดใจน้ําหูน้ําตาไหลตอนที่ไอตอนที่เขาร้องตอนที่ ยมบันดาท่านป่วยท่านอะไรแต่อะไรท่านดูแลอย่างดิบอย่างดีอะไรแต่อะไ ร, ะไรนี่ฟังแล้วร้องห่มร้องไห้ก็มีน้ําตาไหลน้ําตาร่วงนึกมันนึกจิตมันเกิดความเป็นธรรมเกิด ค, ความชอบธรรมเขาร้องเนื้อหาของธรรมมันก็เป็นธรรมอยู่นะหลวงปูรร่หลวงปู่ลีท่านยังว่าเลยร้องร้องเนื้อหาของอ่านของธรรมมันก็มีความเป็นธรรมมันทําให้เราระลึกสํานึกรู้สึกตัวอม ร้องประวัติหลวงตาแล้วเขาาก็มาร้องประวัติหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วก็เขาก็จะมาร้องประวัติของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาได้ศิลปินแห่งชาติแล้วเดี๋ยวนี้เพลินพรมแดนจิตใจสามารถเข้าถึงธรรมได้ถ้าหากความหมุนไปของธรรมมีอยู่พฤติกรรมเหล่านั้นสักจะว่ากิริยากิริยามันไม่ได้ยึดอะไร คือถ้าหากเราปล่อยกิริยาให้กิเลสมันเข้าไปแทรกได้กิริยาใดๆกิเลสเข้าไปแทรกได้ทั้งนั้นแหละนัจคีมาลา อ, อุจจารศีลนะมหาศนะีลนาที่นอนที่นั่งที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ข้างในยัดหรนุ่นและแซมลีคือที่นอนนิ่มๆที่นอนสนุกสนุกที่นอนเคริ้มๆที่นอนพอเราเข้าไปนั่งเราเข้าไปนอนแล้วมันมีสิ่งช่วยเสริมมา เกิดความชอบใจเกิดความพอใจเกิดความยินดีเกิดความติดอกติดใจท่านจึงไม่ให้เราไปนั่งไปนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นสัมลีนอนอย่างเงี้ยปูพื้นนอนนอนหลับได้สบายไม่เป็นโรคปวดหลังปวดเอวี่เจ้าของนอนได้แล้วเนี่ยนอนอย่างเงี้ยนี่นอนอย่างเงี้ยเอาผ้าพื้นเดียวปูนอนได้นอนได้เพราะว่าฝึกฝึกมาจนชิน บางคราวก็ไม่อยากทรมานมันมากน่ะเอา พ, า พ, า พ, า พ, าพาับๆพับผ้าเอาไปหนุนๆแคนั้นก็อยู่ได้มันง่วงจริงๆยังไงมันก็ไม่อยู่รอกยืนกอดต้นไม้มันก็รูดลงไปกองอยู่เ <laughs> ขาเนสัชิก <laughs> เนสชิก <laughs> เนสชิกหัวจงกรมมันมีต้นไม้ใช่ไหมหัวจงกรมมีต้นไม้เนสชิกก็ มันรู้ลงไปกองกันละมูเข้าไปเห็นก็เอามาคุยกันอออยากจะอยู่ให้สว่างโรงูแต่ว่ากําลังมันไม่ถึงทําไงมันก็มีมันก็มีมันก็ ม, ม, กมีมันก็มีทั้งทนได้มันก็มีทั้งทนไม่ได้แต่เราได้ความอดความทนการต่อสู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ได้คติได้ตัวอย่างแน่ ทุกคนที่ผ่านการต่อสู้มันก็ต้องต่อสู้มาอย่างงี้แหล ะ, ะผ่านผ่านผ่านการผ่านผ่า น, านเหมือนกับกระพร่องกระแพ่งกระรุงกระริ่ ง, งไม่ค่อยจะเต็มอะไรเท่าไหร่นักส่งเสริมขึ้นมากว่าจะเต็มภาคเต็มภูมิเนี่ยมันมันไม่ง่ายมันลําบากนะพฤติกรรมกว่าเราจะรู้ว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนู้นถูกอันนี้ผิดทำอย่างนี้ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะพฤติกรรมของเราเนีย่ย ภาวะที่เราอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเป็นอย่างนี้ภาวะในสังคมของเราแค่นี้เป็นอย่างนี้สังคมใหญ่กว่านี้เป็นอย่างนี้กลุ่มนั้นเป็นอย่างนั้นกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้มันไม่ง่ายเราต้องอยู่ด้วยการศึกษา ừ, เพราะฉะนั้นความยากความง่ายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เรามีไปเรียนรู้เรียนรู้อะไรมาบ้างอคนที่มีความรู้มากเขาก็สะดวกสบายคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็โอ้ยอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็เขินจะทําอันนั้นก็เขินจะทําอันนี้ก็เขินเขินอยู่อย่างนั้น ไม่รู้ไม่เข้าใจอืมเราฝึกมาข้างในจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นจะทําให้เรารู้ทั่วถึงคล่องขึ้นเร็วขึ้นนี่วันนี้เราพูดถึงศีลทั้งัแปดข้อศีลโบโสถ์แปดข้อนี้ก็เกือบหมดเวลาแล้วเนี่ยอ่าหมดเวลาไปเท่าไราแล้วเราเลิกเท่าไหร่เลิกเราเลิกคี่ทุ่มนี่มันจะสามทุ่มแล้วเนี่ยอืมอันนี้เมื่อกี้ เมื่อกี้ของนัท น, นนทะ์นะตราชูนี่เพื่นว่าเพื่อจะถือศีนุโบสถได้เป็นอย่างน้อยนะสัปดาห์ละหนึ่งวันทั้งสัปดาห์เพื่อนอาจจะถือได้ทุกวันก็ได้แต่นี้เพื่อนพูดว่าอย่างน้อยนะหนอย่างน้อยหนึ่งวัน น, นี่เราอันนี้เราเพิ่มให้เราเพิ่มให้เพื่อนอาจจะถือได้ทุกวันถือศีนแปดเนี่ยนัทชกีถือศีลแปด ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์มาอยู่อย่างพรมนี่อยู่อย่างพร ม, พพรมแล้วก็รักษาวาจาคำพูดไม่ดื่มเหล้าไม่รับทานอาหารในยามวิการาไม่เพลิดเพลินกับดนตรีไม่ร้องราทำเพลงไม่ขับประโคมด้วยตวนเองและไม่นั่งที่นั่งที่นอนที่เสริมช่วยเสริมให้กามกองเามันกำเริบนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกหัดดัดแปลงกาย ว่ า, าใจของเราขั้นหนึ่งระดับหนึ่งมีผลมากมีอันนี้สูงมากอ๋อเดี๋ยวเล่าอันนี้สองให้ฟังอนาถบินทิ่กะเษฐีมีคนใช้คนหนึ่งเป็นคนใช้ใหม่อนาถบินทิ่กะเสถีเข้าไปใหม่วันแรกไม่รู้จักเขายังไม่ได้เล่าให้ฟังครอบครัวของอนาถบินทิ่กะเษฐีเนี่ยวันอุโบสถวันพระนี่เขาไปรักษาอุโบสถกันรักษาหมดทั้งบ้านเลย นับตั้งแต่เด็กๆรู้เดี๋ยวสาภาวะให้บ้วนปากแล้วก็ไม่รับทานอาหารในยามวิการทีนี้คนใช้ใหม่เข้าไปทํางานในบ้านใหม่ลุกแต่เช้าไปถางป่าไปทําอะไรเนี่ยทั้งวันเขาไม่เอาข้าวไปส่งเขาลืมเพราะทั้งบ้านเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่าวันพระวันพระเขาไม่รับทานอาหารในยามวิการเขาไม่ได้ออกไปทํางานเขางดเขาเว้นรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม แต่ว่าคนใช้คนคนคนใช้ใหม่คนนั้นเนี่ยออกไปทำเสร็จ แ, แล้วก็ไม่มีใครเอาอาหารไปส่งหิวก็หิวพวกกลับบ้านมาแปลกเอ๊ะทำไมไม่มีใครเอาข้าวไปส่งให้โอ้ลืมบอกไปคนในครอบครัวทั้งหมดนี้ถือศีลแปดวนโโบสดนี้จะไม่รับทานอาหารนยามวิการจะไม่ไปทำงานทีนี้ไอ้คนใช้คนนี้พอได้ยินแค่นี้เองเอ๊ะผมผมไม่ได้รับทานเลยเนี่ย ผมอยากถือศีลบ้างจะได้ไหมเออได้แต่อาหารหิวตั้งแต่เช้ายัางไม่ได้ทานนะหิวตั้งแต่เช้ายัางไม่ได้ทานแต่พอมาถึงตอนนั้นมันเป็นยาพิการแล้วเห็นก็ถือหมายเจ้าของก็อยากถือบ้างก็เลยอดไปเลยอดแสดงว่าวันนั้นอดคืนนั้นเนี่ยเกิดลมตีขึ้นมายัางไงรู้ตาย <laughs> ตายตายไปด้วยอานิสงส์ที่รักษาโบสดศีลครึ่งวันเนี่ ไปเกิดเป็นรุกเทวดามีอนุภาพมากเกิดเป็นรุกเทวดาอานุภาพมากอืมอยู่กับต้นไม้ต้นหนึ่งพว ก, กรุกเทวดาก็คือพวกภุมิเทวดาอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหรรุกเทวดาอาศัยอยู่ตามต้นไม้ถึงระน้นเขาก็ยังมีความสุขกว่าพวกเรารุกเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้มาพิจารณาดูเอ๊ะเหตุใดเราถึงมาได้เป็นรุกเทวดานาะ โอ้รักษาอุโบสถตศินแค่ครึ่งวันนี่นี่แค่ครึ่งวันนะเนี่ยครึ่งวันเนะ ค, ครึ่งวันอทีนี้อยู่มาวันหนึ่งมีครูบาอาจารย์เดินป่าเดินอะไรไปพักอยู่ใต้ร่มใต้ร่มไม้หรือยังไงเนี่ยเทวดาตอนนี้เลยแสดงตนให้ปรากฏก็เลยทราบเรื่องเหล่านี้มามาเล่ามาเทศมาสอนมาอะไรต่ออะไรแก่กันเลยกัน โดยเหตุที่รักษาอบสดสศรีนครึ่งวันนี่เองอะไรนะดูเหมือนจะครูบาอาจารย์เหล่านั้นนี่ลูกกฐเทวดาตัว น, นี้เนี่ยเนรมิตรข้าวปลาอาหารให้มาบริพ่อหรืออะไรชักเรืมเืมเนี่ยอันนี้เพราะเคยเค ย, เค ย, เ, คยเคยจำมานานแล้วเนี่ยเรื่องรักษาศีลอโบสดครึ่งวันตายไปไปเกิดเป็นลูกกฐเทวดามีอาณาภาพยิ่งใหญ่อยู่นั่นนี่อันนี้คือเทียบเคียงมาที่อ น, นิสงส์ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจการรักและก็สมัครใจเขาถือมาเขาถือมาเขาถือมาจนจนชนานาญจนคล่องแต่เจ้าของเพิ่งรู้จักขอถือตอนนั้นหิวข้ามาตั้งแต่เช้าเนี่ยคืนนั้นเลยตายรักษาได้คืนเดียวตายตายไปเป็นรู ก, กเทวดาไปเป็นเทวดาสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเหมือนกันอันนี้นะใบแรกใบที่สองวิรัต จเจริญริดขอตั้งใจทําความดีจะซื่อสัตย์ต่อบริษัทจงรักภักดีต่อบริษัทซื่อสัตย์ต่อบริษัทจงรักภักดีต่อบริษัทอันนี้เราต้องระ บ, บุให้ชัดเจนด้วยไม่งั้นเราจะทํำยังไงและเราต้องระ บ, บุให้ชัดเจนพฤติกรรมกายวายจาใจของเรามันนอมาไม่ยากรู้จักไม่ยากหรอกในเมื่อเราตั้งอาไว้แล้วพยายาม ทำให้เกิดผลรายได้เพิ่มเติมให้มันแตกกระจายไปเพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์ <c oughs> อันนี้ก็เยอะเหลือเกินเนี่ยจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะตั้งใจทำความดีทำบุญตักบาตให้ญาติที่เสียชีวิตอุทิศส่วนบุญให้ญาติที่เสียชีวิตไปจะตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดูแลครอบครัวอะไร อ่านไม่ออกจะขอทำอันวันจะขอทำอ่านไม่ออกต่อจากนี้ให้ดีกว่าที่ผ่านมาอันนี้อะไรวิวิรงรองอะไรเนี่ยวิรงรอง ใครตั้งยังไงก็อย่าลืมให้ไปตั้งสัตว์ทำตามนั้นก็แล้วกันเราตั้งเราต้องมีหลักนะเราก็ต้องน้อมมาที่ฐานที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญาอันนี้คือหลักเราตั้งเราต้องตั้งมาที่หลักตั้งสัจยาทิ่ฐานอพอเราพูดถึงเรื่องศีลมันก็ครอบคลุมไปหมดแล้วศีลซื่อสัตย์สุจริต ก็คือไม่ลักไม่ขโมยไม่ช่อไม่โกงชื่อสัตว์สุดจริตไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้อันนี้ต้องระวังที่สุดแหละไม่ประพุติผิดในกามเพราะหัวใจของใครของใครแนหะ่ะกิเลสมันเต็มแปร่อ ย, อยู่ในนั้นอนะ่ะมันคิดนึกอยู่ในใจถ้าหากเราไม่ระวังมันก็ลุกลาม นักนักเข้ามานก็ลุกลามออกมาข้างนอกรุนแรงที่สุดคือศีลห้านั่ น, นแหละเราพยายามคิดให้มากเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องศีลหนะ้าเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษาสวดมนต์วันพระสวดมนต์วันพระหรือสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนี่อันนี้สวดมนต์วันพระน้อยไปสวดมนต์วันพระเนี่ยวันพระหนึ่งตั้งกี่วันนะ่ะกี่วันกว่าจะวันพระสักครั้งหนึ่งเอาทุกวันเช้าเย็นเชา้าเย็นเชา้าเย็นเชา้าเย็นก่นอนนอนก่อนนอน เช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็เอาตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําวัดไหว้พระสวดมนต์ร่างส ม, มาสัมุโทโธปควาหรือไม่ก็สวดอิติปิโสสักกี่จบกี่จบแล้วก็ว่าไปถ้าเราขี้เกียจไปท่องบทสวดอย่างอื่นใส่บาทวันพระทําสังฆทานวันพระอันนี้เขาระบุนะว่าวันพระวันพระเราว่ามันมันห่างไป มันห่างไปวันพระละครั้งมันห่างไปกิเลสมันตามไต่ไต่ในหัวใจของเราทุกขณะจิตแต่วันพระหนึ่งทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันนานไปท่านบอกว่าให้ทําบ่อยๆทํำเนืองๆทามากทําน้อยทําบ่อยๆทํำเนืองๆการที่เร า, เราทํำเนืองๆทาบ่อยๆนั้นะมันเป็นการยกจิตของเรา จิตของเราถ้าหากถูกประคองถูกยกอยู่เรื่อยๆจิตมันก็จะฟูขึ้นมันไม่จมคําว่าจมหมายความว่ามันจมไปกับอํานาจของกิเลสตัณหานั่นแหละมันจมไปกับสิ่งเหล่านั้นมันพานึกพายุ่งพาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นการสร้างความดีให้กับตัวเองนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราควรตั้งไว้เป็นโปรแกรมให้กับตัวเองอย่างจริงจังเป็นตุเป็นตะขึ้นมาเพราะเราทําความดีให้กับตัวเอง อย่าไปแสวงหาแต่ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับตัวเองให้มีความสุขอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอันนี้ทำดีต่อตอนเองทำดีต่อครอบครัวทำดีต่อเพื่อนร่วมงานทำดีต่อสังคมปฏิบัติอะไรอ่านไม่ออกเยอเกินไปเราอย่าทิ้งหลัก การที่เรานึกเราคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราอย่าทิ้งหลักทานศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้คือหลักหรือไม่ก็สภาวธรสักกาณนั่งอ่ให้ละชั่วให้ทำดีให้ทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้คือหลักหลักก็คือหลักในพระพุทธศาสนาถ้าเราคิดเอาเองเนี่ยบางทีบางทีมันขาดหลักเนี่ยเหมือนอย่างทำดีต่อสังคมเนี่ยโอ้โหมันกว้างขยนันทำดีต่อสังคมทำอะไรบ้างทำยังไงบ้าง เราต้องพยายามตล่อมจํากัดให้มันศีลจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยตลอดวันษาเนี่ยโอ้โหแค่นี้มันครอบไปหมดแล้วจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในการมเว้นพูดเท็จเว้นดื่มสุราเมรัยยาดองของเมามันครอบคลุมไปหมดเลยไม่ไม่งั้นพอพอคือไอ้ที่เราตั้งเอาไว้มันจะต้องเป็นกระทู้ที่สามารถขยายความได้เป็นหลัก และก็ถูกต้องกับหลักของศีลของธรรมไม่อย่างนั้นแล้วมันจะมีแต่คําพูดและมันมันทําให้เราจับตามระยากทําตามระยากอืมทําดีต่อสังคมทํานี้ล่ะจะทําดียังไงทําดีต่อสังคมสังคมก็กลุ่มงานแค่นี้ของเราก็เป็นสังคมกลุ่มงานใหญ่รวมไปถึงทั้งประเทศถือว่าเป็นสังคมโอ้โหรู้สึกมันกว้างนะ มันว่างไม่รู้จะไม่รู้จะไปทําอะไรเอ้ยเรายืนเดินนั่งนอนหายใจฟอดๆนี่วันนี้เราทำเราทําความดีกับสังคมทั้งวันเอเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมยุมย่มหยิ่งหยิ่งเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ทำโดยเหตุที่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้ผิดให้ข้อหมองใหญ่กับสังคมก็คือทําดีกับสังคมแต่ในที่สุดมันไม่มีเหตุใดๆที่จะทําให้เกิดผลงานในเมื่อไม่มีเหตุผลงานมันก็ไม่เกิดการที่เราจะทําดีกับ ตนเองกับคนนั้นกับคนนี้กับอย่างนั้นกับอย่างนี้มันจะต้องมีเหตุจะต้องสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาอยู่เฉยๆไม่มีเหตุผลใดๆไม่เกิดละชั่วทำดีละชั่วทำดีล ะ, ำดละชั่วเฉยๆถ้ายังไม่ทำดีมันก็ยังไม่เป็นการสร้างเหตุของความดีการละชั่วก็ยังก็ยังไม่เต็มที่ให้ละชั่วให้ทำดี ท่านยังพูดให้ละเอียดอีกว่าให้ทํากิจให้บริสุทธิ์นี่นี่หลักของพระศ า, าสนาที่ท่านพูดเอาไว้ให้ละชั่วให้ทําดีละชั่วเฉยๆไม่ทําดีทําดีก็คือสร้างเหตุสร้างเหตุใหม่คําว่าพฤติกรรมเร็วๆที่เราเคยทําเราไม่ทําเราไม่ทําคือเราหยุดใ น, นเมื่อเราหยุดแล้วเราจะต้องทําสิ่งอื่นแทนแทนสิ่งที่เราทําเสีย น, นี้ ละสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ดีละชั่วแล้วไม่ทำดีดีไม่ดอีอาจจะเท่าเดิมอาจจะเท่าอาจจะเท่าเดิมเพราะมันไม่มีผลปรากฏแต่การละสมัยเราเราติดเหล้าติดบุหรีเนี่ยเราละละสูบบุหรีก็ถือว่าถือว่าเป็นการสร้างเหตุถือว่าเป็นการสร้างเหตุที่ดีละท่านั้นวันละท น, นิีวันแต่ต้องระวังเวลามันเบิกถอยหลังระวังให้ดี啊 <laughs> มันเอาจนคมนะเอาจนคมนะอือเอามีอะไรตอนนี้ตอนนี้ เ, าเราพูดเราพูดคุยกันได้ตอนนี้อ่ารู้สึกว่าพูดมาก็ยาวพอสมควรอย่นะพูดมาก็เยอะอยู่นะเป็นชั่วโมงกันเนี่ยชั่วโมงครึ่งอะ น, นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยอะไรพูดอะไรมากมายยาวแล้วเกินเนี่ยเนะเอาเปิดโอกาสคุยกันได้บ้างจากนี้ไปอีก ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินเก้าโมองอยังเสามทุ่มหรืยังเออเอาไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่เกินสี่ทุ่มถ้ามี ออออาานนทรงเเด์สะไก็ดีก็ทานเนื้อสัตว์ก็ดีสิแต่ว่าเรางดทานแล้วเราอย่าไปอวดอ้างอย่าไปทับถมอย่าไปเกยถมเขาที่ล้งตาท่านตาหนิท่านตาหนิเพราะว่าอดเพื่อเพื่อยกตนข่มข่มท่าน อดเพื่อยกตนข่มเขาอดเพราะว่าร่างกายของเราเจ็บแค่ใดปวยถ้าเราอดอย่างนี้ได้ร่างกายของเราจะสุขสบายเราอดอย่างนี้ได้ในใจลึกๆของเรามีเมตตาอยู่มีเมตตาต่อสัตว์แต่ถ้าเราจะพูดว่าการที่เราบริโภคเนื้อสัตว์มันเป็นการอนุโลมให้เขาฆ่าสัตว์อืพวกนี้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกทานเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้น จะให้เขาหยุดฆ่าสัตว์ได้ยังไงเน่แต่พระพุทธเจ้าท่านให้ฉันได้ท่านมีท่านมีกรอบของท่านท่านให้ฉันได้เพราะฉะนั้นเทวทัศน์ที่เทวทัศขอถ้านพระองค์จึงไม่สรงอนุญาตกำมันคนละขั้นคนละตอนไ อ, ไ อ, ไอพวกฆ่ากัฆ่าต่างหากแต่อันนี้กําลังพิจารณาพุทธิจฉันมีอยู่ครั้งหนึ่งเราอยู่ที่บ้านตากเราได้ยินนะว่ามีนายพรานเขาฆ่าหมู มีในพรานเขาฆ่าหมูได้หมูป่าทีนี้หมูป่าน่ะมีผู้ที่ท่านภาวนาเป็นแล้วก็สัตว์เหล่านี้ไปบอกไปบอกในขณะที่ท่านภาวนาอยู่นะ่ะบอกว่าสัตว์เหล่านี้นี่เขาขอให้บอกขอให้ช่วยบอกให้พระบริโภคฉันเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ตัวนี้เนื้อของเขาเนี่ยให้พระช่วยฉันด้วยและอุทิศส่วนบุญให้เขาด้วย นี่เห็นไหมท่านไม่ได้เห็นบอกเลยเพราะพระฉันเนืาสตร์แหลรเนขาถึงไปฆ่าเรามาเขาไม่เห็นว่าอย่างนี้คือขั้นตอนของกรรมฆ่าต่างหากแล้วบริโภคต่างหากสมมติอย่างอีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งรั บ, รบอีกคนหนึ่งฉันเนี่ยมันมันไม่ใช่ไปเอื้ออำนวยให้คนคนคนฆ่าทำจะคิดแบบนั้นก็นย่อมคิดได้แต่โดยที่ข้อที่เท็จจริงแล้วมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ฉันไม่เป็นไร ฉันเนื้อสัตว์ฉันเนื้อสัตว์หนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินสามไม่รังเกียจสงสัยแล้วสี่พิจารณาแล้วพิจารณาฉันแล้วก็พิจารณาไม่เห็นไม่เห็นเอเนื้อนี้มันสดสดเหมือนคับเหมือนเข า, เเขาตั้งใจฆ่ามาให้เราด้วยได้เห็นแล้วก็รังเกียจแล้วก็สงสัย ถ้ารังเกียจถ้าสงสัยแล้วฉันก็ไปต้องอาบัติแล้วก็สองได้เห็นทัว่าเราเดินผ่านไปปั๊บเดินผ่านไปปั๊บเอาวันนี้มีบุญนะเห็นก็เอาเป็ดเอาเป็ดเอาหมูเอาไก่เอาอะไรไปมดัดไปคอก ม, มาเยอะแยะพอวันรตรงขึ้นเห็นเนื้อสัตว์เหล่านี้เนี่ยเต็มไปหมดนี้นี่แสดงว่าเราไปเห็นเราไปเห็นปัน๊บเรารังเกียจ พอเรารังเกียจแล้วเรายังม า, มาขบมาฉันอีกท่านปรับบัาปพระท่านฉันเนื้อและท่านโดยด้วยไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยินไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อเราไม่ได้เห็นว่าอันนี้เขาทํามาสดๆเพื่อสดๆเพื่อเราและแล ะ, และไม่รงยยังเกียจไม่สงสัยและเวลาฉันท่านให้พิจารณาท่านให้พิจารณาแล้วก็ให้ฉันได้พุทรเจ้าท่านให้ฉันได้เพราะพระเราอยู่ด้วยการอาศัยเขาเขามียังไงก็ฉันอย่างงั้น ไม่ไม่ตอนที่เทวทัตไปขอพระองค์ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตที่ไม่อนุญาตเราก็เข้าใจไปถึงพระไถ่ของพระพุทธเจ้าว่ากรรมมันคนละวระกรรมมันคนละส่วนมันขาดกันไปเลยมันไม่ใช่มันเอื้อมเยแต่คนพูดเนี่พูดได้ด้วยเหตุที่ฉันเนื้อสัตว์นี่แหละด้วยเหตุที่ไม่ด้วยเหตุที่อนุญาตให้ฉันเนื้อสัตว์นี่แหละจึงมีคนฆ่าสัตว์ไม่ใช่ฆ่าสัตว์เนี่ย ค่าเล่นก็มีค่าเป็นการกีฬาก็มีค่าสนุกก็มีเหมือนอย่างค่าคนอ่ะกินที่ไหนอ่ะค่าคนกินที่ไหนอะค่าตายเฉยๆค่าตายสื่อๆค่าเพื่เล่นค่าเพื่อกีฬาค่าเพื่อกีฬาค่าเพื่อสนุกเน่ยอืมคนที่เขาค่าเขาตั้งใจค่าเอาเป็นอาชีพเนี้ยเราไปซื้อมาบริโภคเช่นอย่างเขามี ปลาเป็นเขามีไก่เป็นๆเ น, นี่ยเราไปซื้อเราจะทำไงอ่ะเราไปซื้อเราจะทำไงอ่าแต่ว่าไอความรู้สึกในใจมันละเอียดนะความรู้สึกในใจเนี่ยทำไมเราจะทำได้อืมเพราะฉะนั้นเราไม่ไปเห็นจะดีกว่าเราสั่งให้เขาเอามาให้อ่าหมูหนึ่งโลไก่หนึ่งกิโลไก่สองตัวสามตัว ไก่ตายไม่ไม่ไม่เอาไก่เปยนนะเอาปลาตายเอาไก่ตายจัดการให้เราสักสองสตัวนะนี่ก็ไม่ได้ท่านบอกว่าให้รู้จักใช้คําว่ากับปิยะโวหารคือคําพูดที่เหมาะที่ควรอคําพูดที่เหมาะที่ควรเหมือนอย่างที่พระท่านให้เรากับปีนะั่นแหละกับกับยังกัโรหิเจ้าจงทําให้ให้ควร ควรแล้วพระเจ้าข้าอันนี้เขาเรียกว่ากัปปิยะโวหารฉะนั้นเนี่ยต้นไม้มันขวางทางเนี่ยพระฟันต้นไม้เป็นเปลีนก็ไม่ได้อ่าไปช่วยพิจารณาให้เราด้วยงาไม้มันเกะกะทางจึงกลมนะไปช่วยพิจารณาให้เราด้วยใช้คําว่าพิจารณาอันนี้เขาเรียกว่ากัปปิยะโวหารท่านให้ใช้กัปปิยะโวหารกัปปิยะโวหารคือโวหารที่ควรอแต่ถ้าเราไปบอกตรงๆต้อ ง, งการหลุม เราต้องการหลุมทําหลุมให้เราด้วยเฮ้ยขุดให้เราขุดให้เราผิดแล้วเราต้องการหลุมทำหลุมให้เราด้ว ย, ย, ววยนี่เขาเรียกว่ากับย่าโวหารครูบาอาจารย์ทจะให้เลี้ยงแบบนี้พูดตรงตรงนี่ยอาบัดการเลี้ยงแบบนี้เราก็พอจะมากรบเกลื่อนอือออให้กับเราได้บ้างเอาอีกเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้ผู้นั่งใกล้พระระธนตรยัยท่านก็ไม่เรียบอุบาสกาไปดูธรรมะของอุบาสกธรรมะของอุบาสกไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายมนุษย์ ไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายยาพิษเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษทั้งนั้นไม่ค้าขายมนุษย์มันมีอะไรเนี่ยไม่ค้าขายน้ำเมาอย่างมันก็ใช่ไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาอันนี้คือพูดที่เป็นอุบาสกอุบาสิา ก, ากาแปลว่า ผู้นั่งใกล้พ ร, ระรัตนตรัยอุบาสกอุบาสิกาอุปะอุปแอะแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้กกกผู้เข้าไปนั่งใกล้อุปะอุปาสกะอุปาสกะผู้เข้าไปนั่งใกล้ใกล้พ ร, ระรัตนตรัยที่เรียกว่าอุบาสกผู้ชายอุบาสิกาผู้หญิงผู้ที่ทําหน้าที่เป็นอ ok ุบาสกอุบาสิการทำของอ ok ุบาสกอุบาสิกาไม่ค้าขายอาวุธเครื่อง ดักสัตว์เครื่องอะไระอะไรหมดอยู่ในนั้นไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ไม่ค้าขายน้ำเมาเนี่ยก็ถูกอะน้ำมองก็ยาพิษเหมือนกันนั่นแหละเลี้ยงสัตว์บางคนเลี้ยงสัตว์มาเป็นอาชีพพออยู่ได้กับการเลี้ยงสัตว์ ครูบาอาจารย์ท่านก็นสอนว่าเออถ้ามีทุนมีรอนพอจะยักย้ายพันแปรอาชีพได้แล้วก็เปลี่ยนแต่เอาตัวนี้แหละเป็นทุนท่านให้เปลี่ยนมีหมอคนหนึ่งครูบาอาจารย์ให้หยุดตอนสัตว์เป็นหมอสัตว์นะครูบาอาจารย์ท่านให้หยุดตอนสัตว์การตอนสัตว์ทําหมันสัตว์นี่ยทำเงินให้กับทําเงินให้กับโรงพยาบาลไม่ใช่น้อยๆโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเอกเของเอกชนน่ย โดยเหตุที่เคารพเชื่อฟังในคําสอนของครูบาอาจงดงดทำหมันสัตว์งดตอนสัตว์ไอตอนกับทำหมันี่อันเดียวกันหรือเปล่ามารู้นะเออันเดียวกันก็บอกว่าหลังจากงดไปแล้วนี่ธุรกิจงดมันยุบหู้เหมือนกันเลยเพราะอันนี้เงินดีมากเงินดีมากแต่พอสักสัพักหนึ่งมันจะเริ่มฟื้นขึ้นมาคือธุรกิจของเรามันงดลงมันลดลงแต่ทำเรามันเพิ่มขึ้น ทำของเรามันเพิ่มขึ้นเราดูมาที่กำลังใจของเรามันเพิ่มขึ้นเพราะเราออเรามีทำอย่างน้อยๆเรามีเมตตาเราไม่ทำถ้าเราทำมันนั้นปันฝืนธรรมชาติแม้แต่หลวงตาท่านก็ว่านะอย่าไปหาตตอนมันได้อย่าไปทำมันหมันมันได้ไปทำลายธรรมชาติของเขาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตเิเป็นไปตามธรรมชาติคือเป็นไปตามกฎของกรรมถ้าเป็นอาชีพ หลีเลี่ยงไม่ได้ก็ก็ทําทําไปโว่วการชั่วคราวแล้วเราก็เลิกทาไปโว่วการโจกคราวแล้วเราก็เลิกเอาทุนรอนจากสิ่งเหล่านั้น่ะไปลงทุนลงรอนทําสิ่งที่ไม่เป็นโทษครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นบางคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยพอร่ารวย ม, มีพื้นมีหลักมีฐานเออหยุดแค่นั้นเปลี่ยนใหม่เคยมีอาชีพทําประมงเนี่ยพอร่ารวยพอสมควรแล้วเปลี่ยนใหม่ทําสิ่งที่ไม่เกิดโทษอันนี้หมายว่าต้องคนที่สนใจที่สุด ถ้าไม่สนใจที่สุดแล้วก็ไม่ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วก็ทําเห็นแก่อยู่แก่ร่ำแก่รวยแก่สะดวกสบายแล้วก็มาคุยไม่ได้นะไปคุยกับคนที่เป็นศีลเป็นธรรมไ่ไคุยไม่ได้ดักคุยแล้วทะเลาะ ก, กันอะคุยแล้วทะเลาะ ก, กันเคยมีลูกชายของอ่าของเคียงหมูเขาเรียกอะไรคนที่เขาเลี้ยงหมูแล้วก็ฆ่าหมูขายนั่นแหละไปอะเออเคียงหมูนั่นแหละ ไม่ใช่ทำนี่เฉยๆนะฆ่าด้วยอะไรด้วยเนี่ยไปเถียงโอ้เถียงไปเถียงว่าเขาไม่ยอมเลยมันเป็นอาชีพของเขาเรื่องอะไรเขาจะยอมเขาไม่ยอมหรอกมันเป็นอาชีพของเขาแต่ถ้าหากเรามีความเคารพในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราร่ำรวยพอประมาณแล้วมีทุนมีรอแล้วเราก็พลิกหาสิ่งที่ไม่เป็นโทษมันก็ถูกของท่านก็เหมือนอย่างที่ว่าเคยตอนสัตว์ทำหมันสัตว์เนี่ยพอหยุด ธุรกิจเราอาจจะลองไปบ้างแต่ว่าผลบุญมันมีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยไอ้ผลบุญมันซื้อไม่ได้นะแต่สิ่งเหล่านั้นน่ยซื้อได้ทําได้อะไรได้ผลบุญเหล่านี้เนี่ยพอเราอาศัยวิรัตอาศัยงดอาศัยเว้นเนี่ยมันเกิดผลบุญขึ้นมาที่หัวใจของเราเราก็เอาตัวนี้ทําไมเราจะบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ธรรมของเราบริสุทธิ์อมืมีอะไรอีก แล้วดึกแล้วพอแล้วอ่า ถ้าเราไม่อยากใช้สัมาทิฏิสัมมาสังคปะเราก็ใช้คําว่าทมก็ได้อย่าไปเอากิเลสเป็นแรงบันดาลใจเราเอาทำเป็นแรงบันดาลใจมันคร้อไปหมดก็ถูกแล้วสมาทิฏฐิก็ถูกแล้วนะให้แรงบันดาลใจที่เกิดจากบุญไม่ใช่แรงบันดาลใจเกิดจากแรงบันดาลใจเกิดจากทำไม่ใช่แรงบันดาลใจเกิดจากกิเลสนี้อันนี้คือหลักคือเราไม่ทิ้งคำมัหลัก เพหลักเหล่านี้เวลาเราไปกระจายมันได้ผลมันได้มันได้อัดได้ทำก็ถูกแล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คืออะไรคือคือทำมันพาบันดาลใจความฉลาดพาบันดาลใจกิเลสบันดาลใจความโง่พาบันดาลใจอวิชชาดนใจตันหาดนใจมันก็สร้างแรงบันดาลใจตามเรื่องตามราวของมันถ้าทำบันดาลใจทําดนใจ มันก็พยายามรฟืน้นสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอพยายามกํากับดูแลควบคุมจิตใจของตัวเองให้เกิดแรงบันดาลใจในสิ่งที่ตรงแนวไปสู่หลักของสัจธรรมมันก็ใช่มันก็ถูกต้องแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือความนึกความคิดอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจากธรรมจากกิเลสนี่แหละอันนี้คือคือเราพูดไม่ทิ้งหลัก สมมติเขาทามาจา์ให้เขาถูกอะไรอะ่ะสมาสมาิทธิหรือสัมมาสังกปะมันก็ถูกเท่งนั้นแหละกรรมกับมรรคใช่ให้ให้เขารู้เข้าใจไปถึงประเด็นที่มัน<ช>มันเป็นหลักเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่จับตรงไหนก็ไม่ผิดมันถูกทั้งหมดมอืม เราอยากให้เขาแบบว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยมันไปเชื่อมกับทฤษฎียังไงแต่เขาก็ให้เขาเขียนคำถามคนละข้ออือโอ้มันไม่ง่ายแหละสอนคนเนี่ยสอนประมาณ400คนสองห้องสองห้องแต่ทั้งหมดเจ็ดกลุ่มนี่้าหลอดกี่กี่ชั่วโมง โอ้ oh, อันนี้อันนีอนนอ้อันนี้ระดับระดับปริยตรีอ๋อตอนนี้ก็พาเขาเขอามงคลพสูจน์อยูอย่างน้อยให้รู้ว่าแต่ละมงคลเนี่ยมันจะพาชีวิตเธ อ, อยังไงส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเขาไปจะบ okay. อืมเราพยายามพูดให้ถึงแก่นลึกๆเพราะถ้าเขาไปจับแก่นลึกๆแล้วเนี่ยมันมันจะกระจายมาตื้นๆเอง แต่ถ้าเราผิวเผยหยดจริยธรรมจริยธรรมจริยธรรมไม่เคยเจาะลึกเข้าไปว่าอะไรคือส า, สาเหตุต้นต่อให้เกิดจริยธรรมเขาไม่รู้จักถ้าเจาะลึกเข้าไปที่นั่นเนี่ยเขาจะกระจายออกมาข้างนอกเอง อ, นนอันนี้จะเกิดผลจะเกิดผลดีที่สุดเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเจาะลึกเจาะลึกไปจนถึงเราไปดูธรรมะของ ของคนอื่นๆอาจารย์อื่นๆศาสดร า, าอื่นๆเขาผิวเผินผิวเผินผิวเผินแต่พุทธเจ้าท่านเจาะลึกไปถึงสาเหตุของสาเหตุต้นต่อของต้นต่อที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันจึงถึงก้นบึ้งคือกิเลสตัณหาที่อยู่ในหัวใจอะไรเป็นเหตุให้เกิดชีวิตเกิดมนุษย์เกิดพฤติกรรมอะไรต่ออะไ ร, ะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ชี้ไปจนถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ชี้คุณชี้โทษของสิ่งเหล่านั้นและพยายาม เขาจะเกิดความเข้าใจรู้แล้วมันจะกระจายไปเข้ามันเองเนี่ยมันมันเกิดประโยชน์เราบอกเขาอยู่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนรอยเท้าช้างของศาสนาอื่นก็เหมือนกับว่าเป็นเท้าหนูเท้าอะไรเป็นสอบเซตอะไรอย่างนีเข้าใจอืมเพราะว่าสอนสอนก็ถ้าเชนน้อยสอนก็เร่งอยู่นะคะการยึดไม่ยึดมั่นในขันห้ามมีสมัย อืมอืมอันนี้เราก็ไม่ทิ้งหลักปฏิจจสมุปบาทจะทำให้ เ, เขาเข้าใจเร็วขึ้นดีขึ้นไม่ทิ้งหลักอริยสัจสี่ออเอ อ, เ อ, อไม่ทิ้งหลักอันนี้อธิบายมันเข้ากันและหลักอันนั้นก็ให้เขาจาได้อย่าอย่าคิดว่าการการท่องจำหลัก การให้เด็กท่องอยากคิดว่าไม่ดีการที่เราท่องจําหลักในเมื่อเราจําหลักได้ประเด็นแยกแยะอะไรต่ว อ, อะไรมันจะค่อยๆ ก, ก, กระจายไปของมันเองเราดูว่าพุทธเจ้าของเราท่านให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธหรธรรมธรรมโอธรรมโอสังโฆสังโฆทูพอเวลาพอเวลาจิตมันละเอียดมันได้ผลมันก็จายไปรู้โลโ ก, กวิทูไปหมดตรงกันข้ามพวกเราจบกี่ด็อกเตอร์มาก็นมาู้มาสอนอ น, อนุบาลเนี่ย ตลอมมาแล้วก็มาทำงานแค่นี้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำให้ถึงเนี่ยจับจุดประเด็นแค่นี้พอเวลามันได้มันตีกระจายไปหมดมันแตกมันแตกต่างกัน อ, อะไรอีกดึกแล้วนะอ้อาว มายังพันเตวิสุงวิสุงห <c oughs> มายความว่าขาดข้อหนึ่งก็ขาดไปหมดมันจะขาดหมดได้ยังไงามายังพันเตวิสุงวิสุงวิสุงวิสุงแปลว่า เป็นเอกเทศเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อขาดข้อหนึ่งยังเหลืออีกสาสีข้อที่มะยังพันเตติสระเนะสหะติสระนะสหะติสระเนะหมายความว่าไตรสรณคมพุทธทังพุทโธธรมโสงโคนิไตรชนะคมติสระเนะสหะสหะแปลว่าสามไตรสนะคมสมเนี่ยปัญจศีลานิยาจามิ มีเล็กๆเพื่นก็อธิบายว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งมันจะขาดหมดแล้วมันจะขาดไปได้ยังไงเราไปลักค่าสัตว์อย่างเดียวเนี่ยข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้ามันก็ต้องยังอยู่มันจะขาดไปหมดได้ยังไงแต่มมันไม่เต็มห้าเท่านั้นเองเมื่ยังบันเทวิสูงสูงมันก็ไม่เต็มห้าเหมือนเดิมลองขาดข้อหนึ่งมันก็ไม่เต็มห้าเหมือนเดิมเราก็เคยฟังเพื่อนอธิบายหลายครั้งเราก็งงๆงงเต๊กอยู่เหมือนกันแหละ <kę eras> <g ox ic> อ อ, ใใอมันได้ติสระเนก็ได้มายังพัญญาวิสุงเวิสุงๆๆก็ได้อืติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามิก็บอกว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งมันขาดไปหมดมันจะขาดไปได้ยังไงในเมื่อเราไม่ทำเน่ะมัน ม, มีเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อของมันเนี่ยอืม นอกจากว่ามันไม่ครบห้ามันไม่ครบห้าแต่มันอยู่อ่ะอย่าลืมว่าศีลเนี่ยทําให้มนุษย์เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์บางคนถือศีลบริสุทธิ์ตั้งห้าข้อเนี่ยก็เป็นมนุษย์ชั้นดีชั้นเลิศชั้นอัจฉริยะมนุษย์เนี่ยบางคนถือได้แค่หนึ่งข้อมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนถือได้สองข้อถือได้สามข้อถือได้สี่ข้อถือได้ห้าข้อเพราะว่คุณสมบัติของมนุษย์จึงไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน ด้วยเหตุที่เรามีศีลมีศีลก็คือมีธรรม ท, ที่เรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรม้วยเหตุที่เรามีศีลเรามีธรรมเราจรึงได้มาบัติเป็นมนุษย์รู้จักข้องดข้อเวน้นข้ออะไรต่ออะไนี่ศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่าทาทรงบัญญัติเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วิธีขอเหล่านี้เราไม่ต้องไปสงสยัยหรอกหนเมื่อเราสมาทานแล้วถือให้หมดก็แล้วกันอืมมีสุงมีสุงก็ได้ วิสุงวิสุงนี่เราจะรักษาเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งอย่างนั้นเหรอเรารักษาเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นเราก็ปล่อยให้เสียไปแล้วก็ไม่เสียได้เหรอแล้วมันจะครบ5้าได้ยังไงครับพอวิสุงวิสุงก็คือเอกเทศเป็นข้อเป็นข้อมายังบันเตาวิสุงวสุงรักคณทายาอารัธนาเป็นวข้อถ้าอารัธนาอย่างเงี้ยเราจะรับเราจะรับศินเฉพาะข้อ5เลยก็ได้ไม่ดื่มสุราเมลัยอย่างเงี้ย อ, อ, อเอ เ, เราจะรับเราจะรับเฉพาะดื่มสุราเม่ไรข้ออื่นเราไม่รับหมายความเราถือข้อเดียววิสุงวิสุงหรือเราจะเข้าใจอย่างงี้แหละเราจะเข้าใจอย่างนี้เช่นอย่างศีลทั้งหข้อเนี่ยเราจะสมาทานถือแค่สองข้ออีกสามข้อไม่ถือมันก็มีอันนี้สองแค่สองและไอ้สาเราทิ้งทาไมอ่ะและไอ้สามนี่มันทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันน่ยแต่และข้อแต่และข้อทำให้เราเดือดร้อนได้ทั้งหมด ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพย์พืชผิดในกรรมพูดเท็จพูดโกหกนี่กินสุรามาีไรแต่ว่าไอ้ข้อกินเหล้านี่เขาว่ามันหนักนะทาให้เราขาดสติแล้วสินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มันก็ขาดได้ง่ายเพราะเราขาดสติกลายเป็นตัวนี้หนักกว่าหมูนะคนเมาเหล้าเนี่ยลวนลามคนเมาเหล้าชอบพูดโกหกคนเมาเหล้าชอบอารวาสฆ่าแกงเนี่ยเพราะคนเมาเหล้าขาดสติ หรือเราจะสมาทานแต่ข้อนี้ข้อเดียวข่าสัตว์ก็ฆ่าลักทรัพย์ก็ลักเพระพืชผิดอประเวณนี้ก็ประพืชผิดพูดโกหกก็โกหกและไอ้โทษเหล่านี้เนี่ยมันรุนแรงกว่านี้อีกทั้งสามสี่อย่างรวมกันอถือทั้งหมดเถอะเจตนาเจตนาถือไม่หมดอเจตนาถือไม่หมด แต่แต่เวลาเขาวิสูงวิสูงก็เห็นรับหมดแหละเห็นมันรับหมดก็ไปถือหมดนั่นเราว่ายังยังไม่เข้าใจดอกยังไม่เข้าใจเออเอาหมดแล้วนะเอ <S <S เอเนาะ